อาจารย์ครั บ, ก, บรกกาลธรรสการครับผมยาเลิศพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์อาจารย์เมื่ อ, าอวานเหนื่อยไหมครับเมื่อวานั้นก็เหนื่อยหน่อยไปเจอชั <c oughs> ช้นเกือบเศษชั่วโมงสิบเดมงเข้าไปโอ้โหคนเขาใส่บาตรเยอะเลยไหยครับอาจารย์ใส่บาตรแล้วมาตามที่มาที่ศาลาเลยเมื่อวานนี้ลงที่ศาลาครับถวยของเสร็จแล้วก็ม่ แยากของที่เราเลึกด้วยโอ้โหเซนผมเห็นผมเห็นภาพแล้วก็สนุกเดีคิดว่าเป็นมีหนนอาอย่าไปอย่าไปทุกข์กับมัน่เดี๋ยอนไม่อะไรครับผมก็นั่งนั่งนึกอยู่พระจารย์เหนื่อยแน่รือวันนี้มีิงจริงมันก็เป็นเหมือนบทละครนะอันนี้ละครมันให้แสดงบทอย่างนี้ทุนอันนี้ก็แสดงไปตามบทนะ เราไม่ได้ไปจัดสรรมันขึ้นมาเราไม่ได้จัดโปรแกรมจัดอะไ ร, รมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ก็มาไปรัดชั้นฉันสิบเวดโมงก็เที่ยงแล้วตอนบ่ายสองวอาจารย์ก็ไปแสดงธรรมต่อครับก็จะกับทิ้งกุฏิก็เกือบเที่ยงเที่ยงแล้วก็วาจะอะไรก็ต้องเตรียมตัวเทศตอนสองโมงอีกร อ, อบหนึ่งไปสอง อาจารย์รักษาธาตุขันนะครับก็ดูแลไปตามอัตภาพนะมันก็มันอนัตตาเนอะพง่ายๆมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งถ้าเราทนุถนอมมันมันก็คงจะอยู่ได้นานกว่าใช้แบบสมบุกสมบันนะครับครับแล้วผอนให้พอกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวกันไปไม่เค็มเกินไปอันนีงฉันจจืดไม่ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรใครก็ทาอาหารที่มีเครื่องปรุงมาไม่ได้ใส่เอามาจืดๆอย่างนี้นะครับนี่แล้วมันพอมันกินแบบนี้สักพักมันชินมันก็อร่อยได้เหมือนกันเหมือนก่อนเหมือนกับใหม่ๆเคยกินแบบเคยสมัยนี้เคยกินแบบมีเครื่องปรุงพอไม่ได้ไม่ได้กินแบบเครื่องปรุงใส่มันเจืดชื่อ แตพอชานไป็นสัมผัสหนึ่งมันก็มันก็มีรสชาติของมันของมันอยู่นะดีปลอดภัยกว่าที่ใส่น้ําตาลเข้าไปใส่น้ํำส้มเข้าไปใส่น้ำปลาเข้าไปครับอันนั้นแหละกินเพื่อรสชาติจริงๆไม่ได้กินเพื่ออยู่ครับเรื่อับทุกพเจอาจารย์ครับก็วันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่180ร้อยแปดสิบล้วนะครับอาจารย์ครับ ชื่อเรื่องวันนี้เหตุผลเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ครับแล้วก็ผมก็ึกได้คําเดียวเลยครับพระอาจารย์<ม>เรื่องชาติสุดท้ายแล้วก็เลยไปเปิดหนังสือหลวงตาที่เคยเห็นเมื่อสักสิบปีที่แล้วดูครับผมก็เลยขออนุญาตเอาคําหลวงตามาเป็นคำโปรยของเรื่องวันนี้ครับพระอาจารย์ก็เลยอยากขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องชาติสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับกับมาความเมตตาครับจริงๆถ้าไม่มีหนังสือเรื่องนี้เราก็ไม่ทราบนะ ว, ว่าหลวงตาพูดอะไรเกี่ยวกับเราเลย ปกติถ้าอยู่ต่อหน้าท่านมักจะไม่พูดถึงบุคคลนั้นนะแต่เวลาที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าบุคคล น, นั้นแล้วมักท่านมักจะพูดกับคนนั้นคนนี้แล้วก็มีคนบางทีเขาก็มาเล่าให้ฟังหลวงตาพูดอย่างนี้นะอย่างนั้นแล้วก็รับรับฟังไว้ถ้ารู้ว่าถ้าถ้าชมต่อหน้าแล้วมันจะมันจะเหลืองมันจะมันจะเสียคนได้ท่านใดมักจะไม่ชมต่อหน้า ตอนนั้นฉนมีแต่จะด่าอย่างเดียวไปยเยปรามกิเลสเพราะกิเลสมันชอบสารเสแสรว่าไม่ชอบนินทาอไม่ต้องเอานินทาปรามกิเลสถ้าสารเสริแล้วมันไปยกย่องให้ไปชูกําลังของกิเลสให้เกิดขึ้นโอ้ยเราเก่งอย่างนั้นเก่งอย่นี้เขาชมเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะหลงได้จะิืมตัวได้คนเราเนี้ยลืมตัวเพราะคำ คำพูดของคนอื่นการประเมินของคนอื่นเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเราดีแล้วไม่ดีอย่างไรเร mm hmm. าปฏิบัติจริงๆแล้วไม่สนใจกับคำชมคำติของผู้ใดครือไม่คำติอาจจะอาจจะรับฟังไว้เพื่อแก้ไขเพราะบางทีเราอาจจะไม่เห็นข้อบอกพร่องของเราจะไม่ได้ไม่ได้กังวลกับคำติมาไม่ตัดต้องไม่ได้อนะไรไม่ใช่ติดได้ทําได้แล้วก็ พิจารณาดูว่าสิ่งนี้เขาําเนี่ยนี้มันจริงไหม ม, มีประโยชน์กับเราไหมชี้กลุ่มทราบให้เราหรือเปล่าถ้าชี้กูุ่มทราบก็ดีเราจะได้รีบแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันถูกต้องต่อไปแต่ธรรมดาเราก็ไม่ได้ไปหวังให้ใครมาชมมาํม า, าเนี่ยเพราะมันคําพูดของเขามันเปลี่ยนความเป็นจริงของเราไม่ได้หรอก เราไม่ดีเขาพูดว่าเราดีไงแล้วก็ไม่ดีอยู่นั่นแหละเราดีเขาพูดว่าเราไม่ดีไงแเราก็ดีของเราอยู่องนั้นดังมันก็เลยไม่มันไม่เข้าใจหลักนี้แล้วมันก็เฉยเฉยกับสรรเสรินินทาที่เป็นเรื่องปกติของโรกนี้แต่โลกนี้ไม่เข้าใจหลักนี้โอเวลาใครสรรเสริญโยยิ้มแยดขอบอกขอบใจพ็จะใครด่าเนี่ยโอยโต้กลับอย่างรุนแรง อยกับฟ้องร้องหมินประมาณอะยรกันกล้ยปเป็นเรื่องเมล่านี่เราไม่พูดอะไรทั้งอย่างนคนด่าคนเชียร์ต้องพูดกลางๆหมดนะครับก็มีสติในการพูดเยอะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องระวังมากเลยครับก่อนจะพูดเราเป็นนายของคําพูดพอพูดไปแล้วมันเป็นนายของเราเราต้องรับใช้มันนะครับ เราะมันผูกมากตัวเรางั้นถ้าให้พูดได้ดีสดถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็เฉยเฉไปยิ้มไปครับ ย, ยอมง้ดีกว่าฉลาดง้อเราปลอดภัยครับอาจารย์ครับแล้วหนังสือเล่มนี้คือที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์เราก็ไม่สร้างอยางอยู่ ด, ด, ด, ดีแล้วก็รับมาได้ได้เห็นเขาพิมพ์มาแจกล้วก็ได้ได้เห็นอยู่ ไม่ทราบพิมพ์ที่ลงพิมพ์ไหนจำได้ไหมสินสยามหรือเปล่าไะ่รับไม่ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้ดูลงพิมพ์เลยครับอาจารย์แต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้จักพระอาจารย์นะครับตอนที่ผมได้นีครับแล้วก็เปิดดูคงมีหนังสื์ของหลวงตาที่ท่านที่เขารวบรวมคําพูดต่างๆของตาเกี่ยวครูบาอาจารย์ต่างๆที่หลวงตาได้ไปรู้จักได้ไปได้ไปสัมผัสแล้วลงตาก็มักจะพูดเกี่ยวองคนั้นองคนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาคงจะรวบรวมคำพูดของน้องตามาลงในหนังสือคราก็ไม่ทราบก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีๆก็มีผม่ขึ้นมาแล้วก็มีเราติดอยู่ในนั้นด้วยครับตอนนั้นผมดูองค์ที่ยังทรงทัดขันอยู่ก็มีพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์วันชัยครับตอนนั้นที่ผมเห็นพระอาจารย์ได้เคยพบท่านอาจารย์วันชัยไหมครับเคยอยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าตามันตาด้วยกัน อยู่ในช่วงเดียวกันท่านเข้าไปหลังมาประมาณสองปีก็าลาออกมาก่อนท่านท่านท่านยังอยู่ต่อท่านมีโอกาสได้รับใช้อุปถาหลงตาอย่างใกล้ชิดเนี่ยท่านก็เลยมีโอกาสได้สนทนาธรรมของท่านหลวงตาอย่างสองต่อสอง ไ, ไหนไหน พูดถึงชาติสุดท้ายก็เลยอยากขอแนวทางครับพระอาจารย์ครับว่าพวกเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรครับคนมาฟังวันนี้ก็พันห้าร้ยกว่าคนนะครับอ่า น, นครับก็เป็นการที่เราจะไม่ให้มันเกิดอีกมันก็ต้องยุติเหตุที่พาให้เรามาเกิดซึ่งงนอริยสัจ ส, สีก็แสดงไว้อย่างชาัดเจนว่าเหตุที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายเหตุที่พาให้เราต้องมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาทั้งสาม กามตันหะก็คือความความอยากเสพการเสพโน้มเสียงกินรสเพราะว่าตันหาก็คือความอยากอยากมีอยากเป็นอยากอยากมีความสุขพูดง่ายๆสรุก็คืออยากมีความสุขมิพาตันหาก็คือความอยากไม่มีความทุกข์เพราะว่าพวกเราทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์มันก็ยิ่งทำให้เราดิ้นเวลาเราสุขล้วก็จะวิ่งไล่จาก สิ่งที่เราอยากได้แต่สิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเช่นราบยศเสินเสริญสุขพอหมดไปร่างกายเราตายไปแต่ใจที่ยังอยากได้ราบยศเสินเสริญสุขเนี่ยมันก็จะผักดันให้ใจไปหาใหม่ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายใหม่ส่วนเวลาไม่อยากจะเจอความทุกข์เนี่ยก็อยากจะหนีจากความทุกข์ไปเวลาเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ใจทุกใจก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเหตุที่ทําให้ตนเองทุกข์ก็เลยไปฆ่าตัวตายกันฆ่าตัวตายก็หนีกวามทุกข์ของร่างกายนี้แต่มันก็ต้องไปเจอมันหนีไปแล้วมันก็มันก็ปิ้งไปหาร่างกายใหม่เพราะมันยังมีการวิตตัณหาความอยากเสกรูปเสียงกลิ่นรออยู่ในใจมันก็หนีไม่พ้นหรอกการฆ่าตัวตายมันไม่ได้เป็นวิธีแก้ ความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากไม่ทุกข์พอเจอความทุกข์แล้วไม่อยากไม่ทุกข์แต่ก็หนีไม่พ้นความทุกทุกอยู่จะทนไม่ไหวเช่นทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกข์กับโรคมะเร็งอะไรเงี้ยคนก็คิดช้าตัวตายดีกว่าแต่มันไม่ได้เป็นตัวที่ทุกข์มันไม่ได้เป็นโรคมะเร็งที่ทําให้ทุกข์โรคมะเร็งทําให้ร่างกายทุกข์แต่โรคมะเร็งไม่ได้ทําให้ใจทุกข์ ตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่ไม่อยากจะเจอความทุกข์อยากให้ความทุกข์หายไปไอตัวนี้ด่างหากที่ทำพอทาไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์รมารขึ้นมาในใจจนทนไม่ไหวก็เลยคิดว่าฆ้าตัวตายแล้วมันก็จะได้หายทุกข์มันก็หายแบบชัว่วคราวแต่มันก็ต้องไปเกิดใหม่อยู่ดีเพราะมันเกิดใหม่แล้วมันก็จะไปเจอปัญหาเดิมอีก ก็จะฆ่าตัวตายอีกแก้ปัญหาเดิมแบบวิธีเดิมท่านบอกว่าถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องไปเกิดฆ่าตัวตายอีกข้าร้อยครั้งเพราะมันเป็นมันติดเป็นนิสัยไปเวลาเจอปัญหาเจอความทุกข์ที่แก้ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายหนีความทุกข์กันนวิธีที่จะแก้ปัญหาตัวความทุกข์ใจเวลาเจอเวลาเจอกกับความทุกข์ของทางร่างกายก็คือต้องฆ่าความอยาก อยากให้ความทุกข์ของร่างกายหายไปเพราะเราห้ามไม่ได้ความทุกข์ของร่างกายมันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังร่างกายมันเป็นอนิจจังอนัตตาถ้าเราไปอยากให้มันเป็นนิจจังอนตาเป็นของเรามันก็จะเป็นไปไม่ได้มันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นความทุกข์ในใจเรากสํรุปก็คือความอยากทั้งสามนี่แหละการมัตตนาภาวะตาหาวิภาวะตานา ที่จะพาให้วต้องกลับมาเกิดมีร่างกายใหม่ด้ถ้าไม่อยากจะกลับมามีร่างกายมาเกิดใหม่ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ด้การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็ศีลนักศีลของนักบวชคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดแล้วก็ฝกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นโนเบคา เราใช้จิตที่มีอุเบกานี้ไปสู้กับตันหาความอยากเวลาพิจารณาด้วยปัญญาที่เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆพอมีอุเบกาก็จะหยุดความอยากได้เคลื่นความอยากได้แต่นั้นไม่มีอุเบก้าเหมือนเช่นตอนนี้ท่านญาญโญฟังอยู่นี่รู้ว่าทุกข์เพราะความอยากแต่หยุดมันไม่ได้เพราะไม่มีอุเบก้าจิตไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เคยเข้าสมาธิเข้าฌานได้ จากไปนะคนสมัยนี้ก็จะเห็นว่าหลุดพ้นได้โดยการไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องมีสมาธิใช้ปัญญาอย่างเดียวปัญญามันมีสามระดับระดับแร ก, กระดับที่สองคือสุตตะก็สุตตะมยาปัญญากับจินตามายาปัญญานี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัญญาที่ไม่มีอยู่เบคขาสนับสนุนที่เราฟังธรรมกันนี้เราก็ได้ปัญญาในระดับจากการฟังธรรมเรียกสุตตมยาปัญญา แล้วเราไปพิจเอาไปพิจารณาอยู่เนืองเนื่องมันก็เป็นจินตามียปัญญาขึ้นมามันก็ได้เพียงแต่ได้ความรู้ว่าเรื่องสัตว์เป็นยังไงอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรตแต่มันไม่มีกําลังที่จะหยุดเหตุคือความอยากต่างๆจินต า, นตาก็เพียงแต่พิจารณาเพื่อไม่ให้ลืมเลยว่าทุกเกิดจากความอยากอย่าทําตามความอยากแต่พอเวลาเกิดมีอะไรมาล่อความอยากมาล่อใจนะ่ะมันก็ ทนไม่ไหวสู้ไม่ไหวเพราะจิตไม่มีอุบเบกขาไม่มีสมาธิจิตไม่รวมต้องไปปไปภาวนาสมรถะภาวนาแล้วจิตก็จะมีอุบเบกขาขึ้นมาแล้วปัญญาที่จะามาใช้เพื่อเพอื่อหยุดกิเลก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาในมิปัสนาภาวนาขึ้นมา อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ต้องศึกษาต้องต้องปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็อย่างน้นก็ต้องศีลสีลแตะขึ้นไปถ้าไปบวชได้ยห่งดีถ้าไปบวชพระเจ้าแกรั antee, นตีเลยรับประกันเลยว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะ้องหลุดพ้นอย่างแ น, น่นอนชาติเนี่ยว่าขึ้นอยู่กับความเพียรความเพียรพยยามของแต่ละคน แล้วความรู้ความฉลาดของแต่ละคนถ้ารู้ฉลาดมากก็จะบรรลุได้เร็วถ้าเพียรพยายามมากก็จะบรรลุได้เร็วแต่ถ้ามีความเพียรน้อยความรู้ความฉ ล, ลาดน้อยก็จะต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาวิเคราะห์ศึกษาไปให้เกิดความเข้าใจในกฎของไตรลักษในกฎของอริยสัจนี ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนก็เป็นพันเด็กนั่งเรียนเรียนดีเรีนได้เกรดสี่สุปฏิปันโนคือไม่หนีเรียนเขาก็เรียนเรียนทุกวันอย่างนี้เรียกว่าสุปฏิปันโนคือทำเต็มที่เต็มร้อยไม่ใช่ทำแค่ห้าสิบห้าสิบบางวันก็ทําบางวันก็ไม่ทําถ้าอย่างนี้มันก็จะช้า นี่อาจจะไปไม่ถึงฝั่งก็ได้ดัง้นต้องพยายามทําอย่างเต็มที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ร้วความเพียรอยาจะหลุพ้นจ ะ, ะต้องเพียรเพียรอะไรก็เพียรจารันสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนทั้งหลับเลยกว่ฝึกสติให้จิตมีสติควบคุมไม่ให้จิตลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน แต่การนั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาอนพอจิตมีสมาธิแล้วทีนี้เวลาออกมาทําปัญญาพิจารณาตายรับพิจารณาริยาสัตว์สี่เกณว่าทุกก็จะตัณหาความอยากก็หยุดความอยากได้เพราะจิตมีสมาธิมีอุเบกขาถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเหมือนท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้รู้ว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยก็มีความอยาก แต่ก็จะอด อ, อยากไม่ได้อย่างอยากอยู่อย่งอยากอยู่ย อ, ยอย่างอยากไม่ตายเป็นต้นยังอยากไม่เจ็บไายได้ป่วยอยู่ก็ยังต้องทนต่อไปแล้วความอยากนี้มันก็จะพายไปเกิดไหม่อีกเพยนั้ต้องปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยถ้าเป็นไปได้นะอันนี้ก็ไม่ได้พูดให้ ให้คนอื่งที่ยังไม่นั้คิดจะปฏิบัตินี้ท่อแท้เหมื่อยหน่ายนะมันก็เป็นเรื่องของความจริงเป็น ก, การที่เราอยากจะอยากจะได้หเหรียญทองโอลิมปิกอะไรจะต้องทำอํำยังไงเรายังจะมาทํางานทําการได้หรือเปล่าไม่ได้นะต้องลาออกจากงานเพื่อไปทุกเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมถ้าเป็นนักมวยก็ต้องไปฝึกซ้อมมวยถ้าเป็นนักมือก็ต้องไปฝึกซ้มมือนัอะไรก็ต้องไปฝึกซ้อมกีลาชนิดนั้น ถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าชิงเหรียญทองได้ไม่เชื่อลองไปฐามนะักกีฬาที่เขาได้เหรียญทองหรือมปิกมาเลยหรือว่าเขามีงานอย่างอื่นทำไหมเขาไม่มีหรอกเอาทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่เขาไม่อยู่ให้กับการฝึกฝึกนอบรมในกีฬาชนิดที่เขาเล่นอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหนกีฬาชนิดหนึ่งที่ดีนี่เองเหรียญทองก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีก อย่งางแรกหลวงธรรมก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติทําให้เต็มที่แล้วก็ต้องมีโคด้ดดีๆด้วยถ้าไม่มโคด้ดดียิงยิงย่งยิ่ง่ายเพราะเวลาทําอะไรผิดนี่โค้ดจะเตือนใช้ไม่ได้ทํานี้ไม่ได้เวลาฝัสตินี่จะถูกเตือนแล้วอยู่ใกล้น้ำตาลนี่ออกมาต้องระมัดระวังเต็มที่ทําะไรผิดไม่ได้ผิดนี่ทันจะรู้ทันทีนะทันจะเตือนทันที มันต้องมีมีโค้ดด้วยมีมีติลเตอร์และมีโค้ดคอยช่วยสอนเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่แต่ต้องมีโค้ดมี filter, ติวเตอร์คอยคอยเติมเข้มให้อีกทีมันถึงจะได้อได้รายละเอียดที่ชัดเจนเลืกซึ a งเข้าไปใหญ่ศึกษาจากวันใต้ใบดอกนี้มันยังเป็นแบบตำรามันยังไม่มีรายละเอียดพอต้องไปศึกษากับโค้ดคนที่มีประสบการณ์คนที่เคยได้เรียนทามาแล้ว แล้วมาเป็นโค้ชที่หลังเนี่ยพอมาไปศึกษากับโค้ชโค้ชก็จะฝึกให้อย่างโค้ชเชอยใช่ไหมที่ก็มีชื่อเสียงไปที่ขวัญดเออที่ขวัญด๊อต้องเรียนนี้แล้วผู้ที่ไปเรียนก็ต้องต้องตยอมรับให้โค้ชเขาเคี่ยวเข็นถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นถึงเวลาวิ่งก็ต้องวิ่งถึงเวลาอดก็ต้องอดทั้งหลายอย่าหลายด้านด้วยกัน จะ้มีร่างกายจะได้แข็งมีกําลังวังชาที่จะเอาไปใช้ต่อสู้กับผู้ต่อสู้ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องของทางร่างกายเรื่องของความสามารถของจิตใจที่จะเอาชนะกิเลสปัญหาท้านเองเป้าหมายของเราก็คือความแชมป์ใหญ่แชมป์ใหญ่นีคือตัญหาความอยากผู้ก่อพบก่อชาให้กับเรามาเป็นเวล า, ยยาวนาน พออกพุทธเจ้าคนตัวนี้ได้พระองค์ตัดว่าเธอที่เคยมาพายเรามาสร้างพบสร้างชาติวันนี้เธอได้สิ้นสุดลงแล้วเราได้กําจัดมันแล้วภพชาตของเราต่อไปจะไม่มีแล้วได้เหรียทองนยทางวันก็คือได้นิบบานทางปรมาสุขขงังเป็นสุขแบบถาวรสุขแบบยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุด มันน่าจะชื่นชมยินดีกันนะว่าสิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้โลกธรรมทั้งสี่นี้มันเป็นของเชื่อเก่าได้มาแล้วก็หมดไปตายไปก็เอาไปไม่ได้ตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ไปหาลาบยสรนเสบเซิญสุกใหม่ถ้สงสัยอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ว่าเหมือนกับคนไม่มีอนาคตเลยนะครับชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยครับคือ แบกหน้าแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วจะมีคำตอบจากคือมันไม่มีรถใหม่ทั้งนั้นชาติถุยท้ายไม่ไปซื้อรถใหม่แล้วว่าหยุดหยุดการเดินทางแล้วเบื่อกับการเดินทางไปไหนมา ไ, ไหนอยู่บ้านสบายกว่าเยอะอยู่บ้านไม่ต้องไปอต้องไปวุ่นวายกับการขับรถไปติดรถบ น, นท่อถนนต้องดูแ ล, ลรักษารถยนต์ต้องคอยเอาเข้าอู่ต้องคอยเติมน้ำมันต้องอะไรต่างๆ พอเราตัดสินใจไม่ต่อไปนี้ไม่เดินทางแล้วไม่ออกจากบ้านนะครับเพราะที่บ้านมีทุกอย่างบริเวณนล้วก็ไม่น่า อ, ออกไปถ้าเราทําใจให้สงบจากสมาธินะครับเราก็สร้างบ้านของเราให้มีความพร้อมที่จะอยู่เฉยๆได้นะถ้าพอเรารู้ว่าการการไปนู่นมานี่มันเป็นการหาความทุกข์ไม่ได้ไหาความสุขก็ไม่ไปอยู่กั่อยู่บ้านสบายใจกว่า ขาดความอยากย้อนจากบ้านได้ <c oughs> กลับมาพบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้แรงใจเยอะเลยครับราา <c oughs> ขอโอกาสถามถามจากเพื่อนๆบ้าง น, นะครับจะขอบอกเพื่อนๆทางติก๊กต k อกว่าส่งคาถามได้แล้วนะครับ <c oughs> คุณดําครับทำไมมนุษย์เมื่อตายแล้วจึงมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งได้ยากมากๆครับ คือก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันต้องมาใช้บุญนับผลบุญผลบาปก่อนก็อยู่กับว่าบุญมากกับบาปไม่บาปมากกว่าบุญพอในชีวิตของเรานี้เราจะสมบุญและสะสมบาปกันอยู่แทบทุกวันบางวันก็ทำบาปบางวันก็ทําบุญแล้วบาปกับบุญนี้มันมีอิทธิพลต่อดวงวิญญาณของเราเวลาที่ร่างกายตายไปบาปก็จะดึงให้เราไปรับผลบาปถ้าบาปมันมีกําลังมากกว่าบุญ ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะให้เราไปรับผลบุญผลบุญก็คือไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆผลบาปก็ไปเกิดในบ่ายไปเป็นเตล์ปเป็นเป็นเนราชาญเป็นสุรกายไปนนรกก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปตอนนี้จำกัดบุญที่ได้ทำไว้หรือบาป ท, ที่ได้ทำไว้มันหมดกำลังมันถึงจะปล่อยให้ดวมยาณกลับมารอรับร่างกายใหม่ การจะรับร่างกายมันก็ต้องมีพ่อแม่ที่เขามีเพศสัมพันธ์กันใช่้หมถ้าก็ไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่แต่งงานกันไม่เขาแต่งงานแล้วเขาคุมกําเนิดกันมันก็ต้องรอคิวยาวก่อจะได้มาเกิดการเกิดเป็นเดรัจฉานมันง่ายกว่าเดรัจฉานเขาไม่มีการคุมกาเนิดแล้วเขาเกิดที่เป็นคลอดเลยนเกิดครั้งนึ่งในบางทีเป็นสิบสิบตัวถ้าเป็นปลาเป็นมแรงนี่มันเกิดกันที่เยอะแยะ แต่การมาเกิดเป็นมนุษย์ในส่วนใหญ่มันจะเกิดครั้งละหนึ่งหนึ่งคนแล้วถ้าเกิดมีการคุมกำเนิดก็ก็ไม่มีการเกิดก็ต้องรอให้มีพ่อแม่คนใหม่ที่ก็ไม่คุมกำเนิดมันก็ยากยากกว่าการที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่น มีความทุกข์ใจจากลูกครับเสียใจมากจนปัจจุบันหันหน้าฟังธรรมจนชีวิตไม่อยากได้ไม่อยากมีแล้วครับใช่เพราะทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพียงแต่เราหลงไปคิดว่ามันเป็นสุขทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่สามารถที่จะไปหวังอะไรได้หวังว่าให้เขารักเราเคารพเราเราก็ไม่นันเเบเราเขารพเราเราก็ทุกข์เลย เราก็ไปบังกับเขาไม่ได้เป็นอนัตตาอันนีดีแล้วละ่ะอย่าไปหวังอะไรจากใครยอมยอมหยุดเย็นยอมรับความเป็นจริงอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปหวังอะไรจากใครหัดพึ่งตนเองถ้าปฏิบัติทำได้แล้วมันมันไม่ต้องพึ่งใครหรอกถ้าใจมีสติมีปัญญาแล้วมันสามารถประครับประคองใจให้อยู่อย่างไม่ทุกข์ได้ ม่วมันกายอยู่ในสภาพไหนก็รับกับมันได้คุณแว่นครับทุกคนก่อนถึงชาติสุดท้ายเราต้องบรรลุขั้นโสดาบันก่อนไหมครับมันก็เป็นขั้นไปมันเหมือนกับปริญญาเลยก่อนจะไปถึงปริญญาเองได้ก็ต้องผ่านยุนิยาตีโทก่อนนะก่อนจะไปถึงขั้นพระอาหารหนันได้ขั้นที่สี่ก็ต้องเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วกเเ็เป็นพระสกีดาคามีแล้วก็พระอนาคามี แล้วก็ถึงเป็นพระอาหารหนแต่เวลาจากขั้นที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สี่นี้แต่ละคนไม่ไม่เท่ากันบางคนแบบพุทธธาตุทำในในระยะเวลาใกล้กลันเลยเสร็จขั้นที่หนึ่งก็ต่อขั้นที่สองต่อขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปได้เลยบางคนก็ทิ้งระยะเวลาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องเอาไดขั้นที่หนึ่งแล้วก็มันก็พักพักสักหน่อยก่อนไปทําเรื่องอื่นหน่อยพอไปทำเรื่องอื่ น, น, ม, ออนมันก็เลยทําให้ มันยังไม่สามารถขึ้นถึงขั้นที่สองได้พรางคนก็ติดภารกิจอย่างพระอานุนที่ไป็นพระอุปถัมภ์พระเจ้านี่ยท่านก็ได้ขั้นที่หนึ่งและท่านไปรับได้รับภารกิจให้ไปรับอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าให้กันเลยไม่มีเวลาปฏิบัติต่อทัอ้งหมดแต่คอยรับใช้พระพุทธเจ้าก็ต้องรอให้จนงานหน้าที่นี้หมดก่อนพอพระพุทธเจ้าจากไปแล้วพราอนุนก็มีเวลาว่างให้ทำความเปลียนได้ พอท่านแรงความเปลี่ยนแค่สามเดือนท่านก็ บ, บรรลุถึงขั้นที่สี่ได้ดังนั้นก็มีเหตุในปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ทำให้บางคนบรรลุแต่ละขั้นช้าบ้างเร็วบ้างแต่นัประกันน้ว่าพอได้ขั้นที่หนึ่งแล้วจะต้องไปถึงขั้นที่สี่อย่างแน่นอนอย่างช้าก็จัดชาติเป็นอย่างมาก คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเอารูปไปวางในห้องพระได้ไหมครับจะไว้ที่ไหนก็ได้มันบ้านบ้านของเราห้องของเราห้องพระเราก็สมมุขจนขึ้นมาเป็นห้องพระเราพบจะรูปไปตั้งไว้ก็ไม่มีกฎห้ามาห้ามเอารูปของพ่อแม่ไปตั้งไว้ในเดีมันคนน่าแต่คนความเชื่อของแต่ละคนก็เาอาว่าไม่คนที่จะเอาคนปุตุชนคนคารวะไป ไปตั้งอยู่ใกล้กับพระอริยบุคคลอะไรนี่มันก็จะเป็นเรื่องของความเหมาะสมได้แต่ไม่มีกฎกฎติกาตายตัตวคุณโยโยครับกราบพระอาจารย์ให้ความรู้ที่ททไปที่มาที่ไปของกระถิ่นครับก็ในยุคแรกงของการเผยแพร่วัฒนานี้พระใน ส, สมัยนั้นผู้ที่จะมาบวชพระก็จะไป เขาจะไปเก็บผ้าผ้าป่าที่เป็นผ้าห่อศพที่เขาเวลาคนตายแล้วก็จะไม่นสมัยนะั้นเขาไม่นิยมที่จะเผาหรือจะฝังเขาเพียงแต่จะเอาผ้าขาวนี่ไปวัดนัน้นหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้นในป่าใช้สองมันเน่าเปื่อยไปแล้วพอส่มันเน่าเปื่อยไปผ้าที่ห่ออยู่ยังใช้ได้อยู่นักบวชสมัยนั้นเขาก็เวลาเขาจะบวชกันเวลาเขาจะใช้ผ้าเขาก็ไปเก็บผ้าที่ ที่วไว้ในป่าชาผ้าหอ่อศพเพราะว่าเขาไม่มีรายได้นม่บวชก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วเขายู่หากินอยู่แบบขอทานอาหารก็ขอหนึ่ตะบาดผ้าก็ผ้าบางสกุลผ้าป่าผ้าหอ่อศพส่วนที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้ทำเพิงเป็นเพิงหลบแดดหลบฝนไปยารักษาโรคก็ใช้น้ำน้ำปัสสาวะของตนดอง ก, กับผลไม้บางอย่างสมองมี ก็ดืม่มเป็นญาดองดื่มได้ทีต่อมาเมื่อมีการเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่กว้างขวางคนเก็มีศรัทธามากขึ้นมาบวชกันมากขึ้นผ้าป่ามันก็ขาดตลาดคนบวชมากกว่าคนตายพระที่ห่อศพ ม, มันไม่พอใช้พ้าแทนที่จะได้ครบสํามลับคือสามสามสามผืนาบางทีก็ได้แค่สองผืนพระนุ่งผืนหน้าพระ ผ้าห่มผืนหนึ่งแต่ผ้าห่มอีกสองชั้นอีกผืนหนึ่งนี้ไม่อาจจะไม่มีหาได้แล้วบางทีเวลาถ้าเกิดไปบินตบานหรือไปเดินกางเดินกลางแจ้งแล้วเกิเจอฝนตกนี้ก็เปียกแล้วก็ไม่มีไม่มีผ้าเปียกยังมีผ้ากลุมหนึ่งเดินทางไปกราบพระพุทธเจ้าระหว่างทางไปเจอฝนหนักไม่มีที่หลบฝนก็เปียกพอไปถึงสํำนักพุทธเจ้าก็ไม่มีที่ไม่มีผ้าเปียก ก็เข้าไปกลาวพระพุทธเจ้าแบบที่ใส่ผมจีวรแบบเปียกปอนเข้าไปพระเจ้าเห็นก็รู้ว่าในมุมความทุกอย่ากลำมากของพระขาดแคลนผ้าไม่ผ้าไม่พอใช้แล้วญาติโยมก็ไม่ไม่กล้าไม่รู้ว่าจะต้องทำไงกับผ้าพระเจ้าก็เลยบอกว่าตามไปนี่ตอนนี้พระผ้ามันขาดผ้าในป่าชาบมันขาดไม่พอใช้ จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับพระมากถ้าญาติอยู่ถวายผ้าให้กับพระเขาเรียาผ้านี้ไปผ้ากรถินที่เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์มากนี้ไม่เลวนะเพราะเป็นบุญมากเป็นประโยชน์กับผู้รับคือผู้รับตอนนี้ขาดแขนผ้าถวายอย่างอื่นมันพอเพียงอยู่อาหารบิณฑบาตพอเพียงอยู่แต่ไม่สามารถเอาอาหารบิณฑบาตไปเปลี่ยนเป็นผ้าได้ก็เลยต้องบอกญาติอยู่ว่า ช่วยสงฆขอพระหน่อยได้บุญได้ได้ได้ประโยชน์มากนะอันนี้สง์มากแต่บุญก็เหมือนกันนะมันบุญจะมากน้อยอยู่ที่ว่าเราให้มากให้น้อยมันก็เลยเป็นเป็นธรรมเนียมมาแล้วกลายเป็นเป็นประเพณีของของชาวพุทธเราในประเทศไทยว่าปีหนึ่งจะได้ทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งคือกระถินเพราะว่าพราะเจ้าอนุญาตให้ แต่ละวันนี้รับกรถินได้เพียงครั้งเดียวเทนั้นเองไม่ต้องการให้รับแบบพร่ำเพรื่อเพราะว่าต้องการให้เอาเวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาเวลามารับผ้าก็ เ, าเลยกาหนดเวลาว่าจะถวายผ้ากระถินได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนันตั้งแต่วันออกพรรษาจากนกระทั่งถึงวันลอยกระทงเนี่ป็นเวลาที่จะถวายผ้ากระถินได้แล้วแต่ละวันนี้จะรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านี้น คนชาวพุทธเราชาวไทยเราก็เลยถือว่าไหนปีไหนปีหนึ่งจะถวายพระทักครั้งทำบุญทักครั้งก็ถวายอย่างอื่นด้วยเช่นถวายเงินถวายทองเพื่อปฏิสังขรณ์บวนนะซ่อมแซมอะไรต่างๆอาการท้าววลวัดเทวต่างๆของวัดเพราะปีหนึ่งมันผ่านไปของกรรมกาาจจะเก่าชำรุดสุดสทมได้ก็เลยถือเป็นงานบุญใหญ่ขึ้นมาน่นน แต่ความจริงมา ห, หมายเดิมก็คือเพียงแต่ให้ถวายผ้ากับผ้าที่ขาดแคลนต่ยุคในปัจจุบันนี้เรามีการถวายผ้าแทบทุกวันทุกเดือนแล้วใครมีอยากจะทำบุญที่ไรก็มักจะถวายผ้าตายทุกทีผ้าตายมันก็ร่นไม่หมดนะนี่คือกรมที่คําว่าผ้ากระถินคาว่ากระถินก็คือเป็นไม้ที่เขาขึงผ้าไหมสมัยก่อนก็ไม่มีจักเย็บต้องเย็บด้วยมือ เนื้อผ้ามันถุนใหญ่ก็เลยใช้ผ้าถึงเพื่อจะเย็บได้ให้มันเรียบร้อยผ้าที่ถึง น, นี่ก็เรียกว่าผ้ากระถิ่นไม้กระถิ่นขอบใจเลยครับอาจาัยอยากอยู่ชาติสุดท้ายหยุดวัฏสงสารหยุดการเกิดใดๆแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วครับไปเลยไปบวชได้เลย ไม่มีรู้อะไรเลยมาปฏิบัติอยู่บนเขาอยู่สักพักหนึ่งไปบวชได้สองสามพรนษาแล้วลาลาจากที่นี่ไปก็ไปบวชเลยครับแล้วบวชอยู่บนเขาไหมครับพาจารย์หรือไปบวชที่อื่นครับไปบวชที่อไปอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ตอนนั้นก็ามาศึกษามาปฏิบัติอยู่บนเขาอยู่พักแล้วพอเขารู้ทางแล้วเขาต้องทําอะไรเขาก็ไปบวชนะครับก็ยังฝากให้มาอยู่ว่าเอาของมาถวายทําบวชอยู่เรื่อยอยู่ ยัง ไ, ได้ข่าวว่าเขายัางบวชอยู่บนเขามีแต่พระปฏิบัติดีอยู่เยอะเลยครัอบอาจารย์ครับอพมพะัอยู่บนนั้นไม่มีอะไรให้เสพลดูเสียงกินแล้นไม่มีไฟฟ้ามไม่มีน้ำก็ต้องไปน้ำอาศัยน้ำฝนน้ำที่กับันรทุกสายแทงเป็นไปสายให้ในห้องน้ำส่วนกลางใช่ไมก็ต้องใช้อย่างประหยะัด พอไม่คาำก็ไม่มีแสงสว่างแล้ก็มีแต่ภาวนาเดินโยผมจุดเทียนเดินโยผมนั่งสมาธิไปตาก็ไปตาท่านก็เคยไปค้างอยู่เคยหนึ่งคือท่านวันนั้นคือช่วงนั้นท่านมักจะมาพักอยู่แถววัดช่องลมที่พัทยาเพราะท่านมีลึกศิษย์ที่เขามาทํามาหากินเปิดร้านขายของที่พัทยาแล้วเขาจะมักชนิดมนให้ท่านออกมาพักผ่อนเพราะอยู่วัดบางทีภาร ก, กิจเยอะ แล้วเวลาว่างก็อย่างให้หมอให้ท่านออกมาพักก่อนแล้วที่ที่สวนของวัดเจ้าหนมนี้เขาสร้างกุฏิถวายให้ท่านไว้พักในวันตอ น, น, นช่วงนั้นท่านเนีนยโรคหัวใจแล้วก็พอดีโรคหัวใจท่านกำเริบท่านบอกต้องรักษาด้วยความสงบต้องไปปีกไม่เมไปอยู่คนเดียวท่านก็คิดถึงบนเขาท่านก็เลยบอกให้คนขับรถขับรถไปส่งท่านองเดียว ม, มีพระติดตามมีพระติดตามก็บ่อยให้อยู่ที่ที่สวนน้ครันก็ไปนั่งกอดีเราก็อยู่ที่นั่นก็เลยได้รับได้กราบได้รับท่านไปจัดที่ให้ท่านทักเพราะท่านนุ่จับว่าท่านก็เห็นศาลาที่ศาลาที่สแสดงธรรมอยู่ท่านกว่าเอาตรงนี้แะไม่ต้องไปหาปฏิให้ยุ่งยากกันอยู่แบบง่ายๆนอนบนศาลาเป็นมหาโม้นะครับอาหมอนาเสีมาถวายท่านได้ แล้วท่านก็สั่งไว้ว่าท่านต้องการจะบินสบายด้วยตอนเช้าพรุ่งนี้ท่านต้องการจะพักผ่อนอำนาจจิตใจมันมันเราก็ไม่กล้าบอกใครว่าท่านมาเพราะท่านต้องการมาแบบนี้เยอะยท่านก็ภาวนาของท่า น, นไปตอนนั้นช่วนั้นเรายังไม่ได้อยู่บนเขาประจําเลยเรายังพักอยู่ข้างล่างอยู่โชคดีมากเราก็ล้วก็ลงมาพักอยู่ข้างล่างแต่พอลูกเช้าพอพอบินสบายเสร็จ กิจภารกิจชั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นมากราบท่านม า, มายู่ท่านพอประเดช่นั้นลุกเสธิจที่มาสองท่านก็จะมารับท่านกลับไปท่านมาค้างอคืนเดีนี้ไม่มีใครรู้ออตอนนั้นช่๊งปะปุก ป, ปะครับอาจารย์ครับอย่างเลยตอนนั้นโจ๊นั้นรู้สึกจะปีเรามาอยู่วันหยาบปีสองเจ็ดช่วงสองแปดสองเก้าปีสองเจ็ อันนั้นเราก็ยไปอยู่บนเขาปีสามศูนย์ดังนั้นช้นี้ช่วงสองเจ็ดสองแปดสามเก้านี่เราอย่างพักอยู่ข้างล่างผมเพิ่งสิบขวบเองครับอาจารย์คุณสิรินรัตน์ครับเวลากรวดน้ำมักแตะกันตลอดไม่แตะมีผลกับบุญไหมครับไม่เกี่ยวกันเลยเป็นความเชื่อกันมันเองว่าเรากลวดน้ำแล้ว คนอื่นเขาไม่มีที่กวดน้ําก็เลยอาศัยคนที่กวดน้ําเป็นเป็นการกวดแทนเขาให้เขานี่ยอันนี้การกวดน้ําก็คือ ก, ก, ก, การอุทิศบุญการอุทิศบุญที่แท้จริงก็คือเราเลิกผ่ายในจิตใจของเรามาขอเรขอขอุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านนั้นท่นี้ก็ให้ท่า น, นถ้าท่านรอรับอยู่ก็ปวดมารับไปเถิดเนี่ยมันต้องผ่านทากระแสจิตไม่ใช่ผ่านกระแส น, น้ำแต่กระแจิตมันเป็นนามธรรมา ท, ที่เรามองไม่เห็น เขาก็เลยเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างเป็นตัวสาธิตตัวทางภาษาจิตว่ากะาะแจิตเป็นอย่างนี้นะเป็นเหมือนกระสาสน้ําที่เราเทออกจากภาชนะหนึ่งไปสู่ภาชนะหนึ่งภาษาจิตเราก็ส่งส่งบุญจากใจเราไปสู่ใจของผู้ที่น่วมรับไปแล้วเท่านั้นเองหมายถ้าหากคนที่ไม่ได้แต่งงานอยู่เป็นโสดนีโอกาสที่จะไปนิพพานได้มากกว่าคนที่มีครอบครัวไหมครับ ถ้าจะเป็นบวชมันก็ง่ายกว่าถ้าถ้าใจพร้อมถ้าใจได้ได้ปฏิบัติทำแล้วรู้ว่าการบวชนี้เป็นสิ่งที่ที่จะทําให้การบวชการปฏิบัตินี้ไปได้ง่ายและรวดเรยวกว่ามันกับขึ้นทางดววเนี้่คนที่เริ่มศึกษาเริ่ปฏิบัติใหม่ๆก็อาจจะแบบขับรถอยู่ใต้ทางด่วนไปก่อนแต่พอเริ่มปฏิบัติแล้วได้ผลดีก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นว่าการมีครอบครัวมีภาร ะ, ะมีงานมีการ ม, ารมนันเป็นเรื่อง เรื่องลูยาเรื่องที่อยากทำให้การปฏิบัติราช้าพรเวลาให้กับการปฏิบัติมีไม่ไม่มากพอก็อยากจะไปบวชกันนี่ถ้าเรายังมีครอบครัวอยู่มันก็อาจจะไปไม่ได้ไแต่ถ้าเราเป็นโสตไม่มีครอบครัวอย่างเราเนี่ยตอนที่เราบวชก็ไม่มีครอบครัวเขไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์สมบัติด้วยเพิ่งเกณฑ์จบมาใหม่งานทำก็ทําใช้เดินหมดไปตัน ได้เดือนมาได้เดือนนึ่ก็ใช้หมดไปงานเงินสะสมไม่มีเลยมีเหลืออยู่นิดหน่อยตอนที่จะออกากงานนี้มีเงินสะสมอยู่ประมาณหกพับาทแล้วก็คํานวณดู ว, ว่าถ้าเราใช้อย่างประหยัดนี้กินอยู่นี่ปีหนึ่งน่าจะอยู่ได้ก็เลยเอาว่าเราเราออจากงานให้กับการมามาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่นักสักครั้งหนึ่งโดยอาศัยกินมื้อเดียวกินของอาหารสมัยนั้นข้าวจานก๋วยเตี๋ยวเช้าก็ ห้าบาทก็พอไว้เวติ๋วสามสองบาทข้าวผัดข้าวอะไรนี่ก็สามบาทกินสองอย่างนี้ก็อิ่มละวันนึงเดือมน้ำเปล่าพอละจบตอนนั้นมันก็บวชง่ายเพอพร้อมที่จะบวชเพราะรู้ว่ า, าตอนนี้บวชได้ตอนนี้ไม่ได้ไม่สนใจว่าไปบวชเราจะอยู่ได้เปล่าเพราะการบวชมันเหมือนกับไปจับตัวเองค้งอยู่ในกรงอ่ะมันก็เข้าคุกอ่ะแต่ใจของคนเราทุกคนมันไม่อยากจะเข้าคุกกันมันยังอยากจะ ไปนุ่นมาเนี่อยู่นี่กลว่าไปบวชแล้วเดี๋ยวบวชแล้วอยู่ไม่ได้ก็ต้องเสด็อยู่นี่ก็ยังไม่กล้าบวชอะไรฝึกก่อนขังตัวเองไว้ก่อนขังไว้ตัวเองในบ้างนแล้วก็ไม่พยายามไม่ไปไหนแต่บางครั้งบางคราวก็อดไม่ไหวก็บางทีก็ไปบ้างตอนนั้นที่สดุดรู้ว่าอยู่บวชได้แล้วไม่ไม่ทุกข์กับการที่จะต้องไปอยู่ในในคุกในตารางเพราะเรามีงานทำแล้ว เรามีงานเราเรามีเวลาเราเรามีภาวนาเป็นงานของเรามันก็เลยกล้าที่จะบวชพอเราจะบวชปั๊บมันก็ไม่มีอะไรผูกดึงเราไว้เลยเงินก็ไม่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทางก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีงานก็ลาออกนะไม่มีงานทําะมันก็เลยไปง่ายตัดสินใจปั๊บเพราะยังเพราะรู้จะต้องไปบวชที่ไหนก็ไปหาไปไปวัดไปขออุป์พระชาบวชเลย แล้ก็โชคดีทั้งก็เมตตาท่านกนรับบวชให้อาจารย์้เป็นปาญญาสังวรด้วยนะครับอาจารย์เพราะเราก็ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เมื่อก่อนไม่รู้ว่าวัดมาวันเป็นวัดระดับไหนเขเนี่ยเราก็ที่เขาเป็นวัดทั่วไปวัดทุกถ่ายก็เป็นวัดที่ชาวพุทธผู้ที่สนใจจะศึกษาปฏิบัติก็ต้องเข้าได้ใช่ไหมเพราะเป็นวัดใครอยากจะบวชก็ต้องเข้าไปบวชได้ เราคิดแบบนั้นเราไม่รู้ว่ามันในทางในทางสมบุตินี้เขามีแบนเปรดวัดกันนะครับเ <laughs> นเช่นใครต่อสีต่อสาอยากจะไปบวชวันนั้นวันนี้ก็จะไปบวชได้ก็ต้องมีผ่านการคัดกรองมีอะไรหลายอย่างด้วยกันแต่เราไม่ทราบว่บุญเก่าเรื่องอะไรไม่ทราบมันช่วยส่งให้เราไปแล้วท่านก็เมตตาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่าเรื่องของการปฏิบัติของเราให้ท่านฟังว่าเราปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วท่านก็เลยเของยาคิดว่าอ๋อ มันมันมันเอาจริงอาจังท่านก็เลยบวชให้คุณพลอยครับบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้เลยจิตฟุ้งมากสองสามนาทีก็ฟุ้งคิดทุกเรื่องราวห้ามความคิดไม่ได้เลยทําอย่างไรดีครับต้องหยุดความคิดก่อนฝึกการหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งคือการฝึกสติเนี่ยการฝึกสติก็คือการหยุดความคิดหรือลดความคิดลง การนี้จนะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรนี้ก็คิดอยู่ค ำ, อ, ค ำ, ำอะไรคำพุทโธพุทโธไปทําอะไรคำพุทโธพุทโธไปเพราะเวลาเราทำอะไรเรามักจะคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นอยู่ตลอดเวลาเราก็ใช้พุทโธมาเบรกมันถ้าเราเบรกไว่พุทโธได้อย่างนีต้ต่อไปเวลาเรามานั่งมันก็ไม่ฟุ้งเพราะเราคุมมันด้วยสติถ้าเราจะมาเริ่มคุมตอนที่เราเริ่มนั่งมันไม่มันคุมไม่ได้นั่งสองสามนาทีก็ ก็เสร็จเออดั้นั่งต่อไปไม่ได้นะดังนั้นต้องคุมความคิดก่อนคุมหยุดความฟุ้งให้ได้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้ายังหยุดไม่ได้พอไานั่งแล้วจิตฟุ้ง้็นั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรงนั้นต้องฝึกสติทั้งวันอย่างที่พูดเนี่ยการปฏิบัติขั้นที่หนึ่ง ข, ขั้นที่สําคัญที่สี่ก็คือการเจริญสติซึ่งเราสามารถเจริญสติได้นั้งแต่ตื่นจนแบบไม่ว่าเราจะทํำอะไรล้วก็สามารถเจริญสติได้ ทำอย่างไรจะได้เกิดเป็นหมอรักษาคนครับฐานของหมอหมอมีละพันอยู่เลยตั้งใจเรียนสอบไปได้คราต้องชอบต้องชอบชอบชอบเรีนหมอชอบเรียนวิชาของหมอด้วยคุณหมาตัดสินใจการถึงบวดเป็นหมอเลยคิดมาตั้งแต่เด็กเลยครับอาจารย์ครับว่าจะมาเป็นหมอครับอืมัน น่าจะมีของเก่าไหมครับอาจารย์ได้เคยบอกนั่นน่แต่ไม่รู้ว่าเป็นหมอเป็นยังไงตอนที่คิดตอน ไ, ไม่รูว่าเป็นหมอแลอ้วสาโรภัยแค่เจ็บใช่ครับอาจารย์ตอนเด็กๆ ก, ก็จะไปอ่าเอาหนังสือสมุนไพรมานั่งอ่านครับ mm hmm. ตอนยังไม่เรียนหมอไปชอบไปอ่านพกดอกไม้ใบ ไ, ไม้รักษาคนอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. คือพราะว่าถ้ามีฐานะก่อนก็มีการชอบความยินดีในอาชีพนั้นๆ เราชอบยินดีเราก็จะมีวิทยาคือความเพยียรพยายามที่จะไปศึกษาไปเรียนเพื่อให้ได้วิชาความรู้ที่เราจะได้เอามาใช้กับประกอบอาชีพนั้นต่อไปต้องมีเป้าหมายก่อนคนเราจะอยากจะเป็นอะไรมันต้องมีเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไปทางไหนบางคนมีเป้าหมายแล้วเขาชัดเจนแล้วเขาจะได้ไม่เสียเวลากับการไปทดลอง เรื่องนั้นเน่องนี้หมือว่าต้องการเรื่องนี้อย่างเดียวหรือว่าต้องการเป็นหมอก็ไม่สนใจวิศวะไม่สนใจอะไรแล้วเอาใจหมออย่างเดียวเขาเรียกว่ามีอธิษฐานก็นได้อธิษฐานก็คือมีเป้าหมายของของชีวิตนะชีวิตของเราก็คือต้องการเป็นหมอเราก็ตั้งสัจจะพิถีพิถันว่าจะพยายามศึกษาเรืเ่องนี้ให้จบเป็นหมอให้ได้คุณอ๋องครับ รบกวนพระอาจารย์อธิบายเรื่องปัญญาอบรมสมาธิด้วยครับือการทำสมาธิทั่วไปนี้เราใช้สติคือใช้สติใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเพื่อกล่อมให้จิตสงบเข้าสมาธิแต่บางวันบางเวลาเราอาจจะมีเรื่องที่มันมาคาอยู่ในใจแล้วเช่นเราอาจจ ะ, ะมีปัญหาหนี้สิน เราเวลามานั่งสมาธิก็มีตกังวลกันเรื่องปัญหานี้สินจนไม่มีสติสตางค์ที่จะภาวนาได้มีการใช้สติเราก็ต้องปัญญามาใช้พิจารณาเรื่องนีิสิว่านีิสินี้เราจะจัดการกับมันอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหนีมันจากมันไปได้เราก็ต้องใช้นี่ถ้าเรามีทรัพย์สินมีอะไรเราก็ ขายไปสิขายไปเพื่อใช้งี้ให้มันจะได้หมดปัญหาไปเลยถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ให้เขาเฝ้าน้อมละลายไปคือยอมอะยอมหยุดเย็นนะพอเรายอมยอมน้อมละลายวาความทุกข์กงวลเดี่ยวกเรื่องการน้อมละลายก็หมดไปใจก็ไม่ฟุง้งใจก็สงบกลับมานั่งสมาธิต่อได้ สามารใช้สติดูลลมหายใจใช้กรร บ, บริกรรมได้นี่คือความหมายของการใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาอะไรก็พิจารณาเรื่องทรัพย์ทรัพย์ก็เป็นอนิจจาราบราบนี้ก็เป็นอนิจจามิจฉาเนี่ก็มีเสื่อมได้ตอนนี้เราเจะในยุค ข, ของความเสื่อมของราบคือเงินทองหมดเงินทองไม่พอใช้เป็นนี่เป็นสินต้องถูกเขามายึดทรัพย์มาฟ้องมาลายเรา ไม่มีทางอื่นน้ำหนีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ยอมมันไปยอมล้มละลายไปก็ฟ้องไปล้ลํละลายก็ล้มลลายไป<ส>เอรายอมปั๊บใจเราก็หายเครีดยดหายฟุ้งสง บ, บกรัมมาเป็นปกติได้นั่งสมาธติต่อได้คนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนจะได้รับผลกรรมแบบไหนครับ เขาก็จะต้องไปใช้หนี้ของเขาเขาไป เ, าเหมือนกับไปขโมยเงินของเขาเลยต่อไปชานหน้าก็อาจจะมีคนมาขอยืบเงินเขาแล้วเขาก็จะต้องเจอเขาโกงเราไปคุณหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับหิวข้าวหิวขนมอยากทานอาหารและของว่างอย่างนี้เรียกว่ากิเลสหรือเปล่าครับถ้ากินแบบไม่มีเวลางเวลาก็เป็นกิเลสแต่ถ้ากินแบบกินยานี่ไม่เป็นกิเลส กินตามตามเวลาที่เขากําหนดไว้ให้กินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่กินเพราะความอยากนี่มันเป็นกิเลสแต่กินเพราะไม่ใช่ความอยากกินแต่กินเพราะถึงเวลาต้องกินนี่ไม่เป็นกิเลสความหมายของคําว่าไม่ภาคไม่เพียนพระศาสดาหมายถึงอย่างไรครับไม่ปฏิบัติไงไม่ปฏิบัติไม่ขยันกับการปฏิบัติ ภาเพียนก็คือ ค, อควำพยาัญชนเพียนนี่คุณแคทครับปกติต้องทานยาแก้ซึมเศร้าเพื่อให้นอนหลับในช่วงกลางคืนและถ้าเราป่วยอยู่โรงพยาบาลกินยาตัวนี้เข้าไปถ้าหากว่าเราตายไปในขณะที่ไม่มีสติจะทําให้จิตเราไปที่ไหนเขาจะขึ้นอยู่กับอะไรควรเตรียมจิตก่อนนอนในช่วงที่ป่วยอย่างไรครับมันการที่เราจะไปเกิดไปต่อนี้ไปอย่างไรมันอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทําไว้ มันได้อยู่ที่ในช่วงจิตสุดท้ายเวลาที่เราตายมันอยู่ที่ผลบวกผลลัพธ์ของบุญและบาปที่เราทําว่าอันไหนมันมากกว่ากันถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะหนึ่งให้เราไปสวรรค์ถ้าเราทําบาปมากกว่า บ, บุญบาป ก, ก็จะหนึ่งให้เราไปอบาบส่วนเวลาที่เราตายถ้าอยากจะตายอย่างสงบไม่ทรมา น, านก็พยายามทําจิตให้สงบนั่นเอง ใช้สติเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปทังเทศทั้งธรรมไปแล้ว ด, ดูลมหายใจไปเพื่อละง้อความคิดละง้อความคิดปุ่งแต่ความใหญ่ต่างๆให้มันลดน้อยถอยลงไปความทุกข์ทรมานใจจะได้ลดน้อยลงไปถ้าห้ามทานประเภทปลาที่ปล่อยจริงไหมครับเช่นปล่อยปลาดุกห้ามกินปลาดุกครับไม่มีความห้ามห้ามตรงไหนห้ามไปทําไม กินได้แต่อย่าไปกินปลาที่ยังไม่ตายเท่านี้คือไอ้กินปลาดกก็ไปซื้อปลาดกที่เขาฆ่าแล้วในตลาดนี้มากินได้อยู่แต่อย่าไปซื้อปลาดกที่ยังไม่ตายแล้วมาฆ่ามันแล้ว ม, มากินอันนี้ไม่ได้บาปไม่ว่าเราจะปล่อยปลาชนิดนึงหรือไม่ปล่อยปลาชนิดนั้นมันก็บาเท่านั้นคุณชูศักดิ์ครับ ฟังมาว่าในพระวินัยภิกษุไม่ควรให้พรโยมตอนใส่บาตรแต่ได้เห็นมาตลอดเห็นโยมใสบาตรแล้วนั่งพนมมือ ร, รอรับพรทําให้พระ ก, ก็ต้องให้พร อ, อย่างนี้โยมหรือพระจะมีกรรมไหมครับคือพระวินายนี้มันข้อมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสังคมในสมัยนั้นเนคือในสมัยนี้สังคมกับสมัยสังคมในสมัยนี้กับสังคมในสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันแล้วก็นเข้าอมาว่าในสั ง, สงคมดังนี้เขารับได้หรือเปล่า การที่พระจะให้พรนี่ถ้าเขารับได้ก็ไม่เน่าเป็นปัญหาตรงไหนถ้าเขารับไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ต้องให้พรแต่ญาตโยมก็อยากให้พรนี่พอใส่บาตรพระแก็อยากจะให้พระสวดอายุวโนสุขังพราหมณ์ญาติโยมเกะสาทุสาทุแต่ธรามเนียมของวัดป่าเรานี่จะไม่นิยมให้พรตอนที่ว่าเป็นทบาลเพราะต้องการสํารวมสํารวมกายวาจาใจ อะไรห้ข้อ น, นึงก็คือจะได้ไม่เสียเวลาถ้าต้องให้คนใส่บาตรอย่างที่เราบินนบาทวันนี้สามร้อยกว่าคนเนี้ให้ทุกคนเนี้เมื่อไหร่มันจะเสร็จได้พอใส่บาตรเสร็อายุวันโน่สุขังพลังนี่แบบยอ่อ <c oughs> นดเต็็มกเลยไม่นิยมที่จะให้พรกันมันเป็นเรื่องของความนิยมนะคาําความเหมาะสมพูดง่านมันใช่ไม่ดังบาทรไม่บุญนะดวงจิต จะเข้าสู่ทารกในครันมารดานในช่วงไหนครับก็ช่วงที่มันประสมพันธุ์ไงต้องมีทั้งสามส่วนเข้ามาพร้อมกันเนี่มีหนังสือเรื่มล่าสุใที่ท่านรู้กับทันห้าเนี่ยนี่แพรย์คนหนึ่งเขาก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่เขาบอกว่ามันมีมีการวิจัยว่าเวลาที่มีการปฏิสนธินี่เขาตอนนั้นเขาถ่ายภาพหรืออะไรว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็เขาหมายถึงว่าแสงสว่างนี้มาจากดวงจิตจากส อางวิญญาณที่เข้ามาเกาะกับตัวที่กําลังตัวที่กําลังกาะตัวขึ้นมาร่างกายที่กำลังกาะตัวขึ้นมาเกิดปฏิสนธิขึ้นมาการปฏิสนธิจะสําเร็จได้ต้องมีสามส่วนเข้ามาร่วมกันคือส่วนของแม่ส่วนของพ่อแล้วก็ส่วนของเราเราก็คือดวงวิญญาณที่จะมาเกาะกับร่างกายที่กําลังผสมพันอยู่พอเกิดปฏิสนธิแล้วมันก็จะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาทันที คุณแต้มสีครับถ้าเราป่วยหนักมากเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นมะเร็งเราไม่รักษาเพราะไม่อยากให้คนในครอบครัวเดือดร้อนด้วยเงินอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่ถ้ามันเป็นเงินของเราากวนจะก็เราก็ต้องพิจารณาว่ามันรักษาแล้วมันจะหายไหมถ้าหายก็ควรจะรักษาเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ฉละทรัพย์เพื่อรักษาวิเวหะแล้วถ้าถ้าต้องถ้าเราต้องรักษาชีวิต ไว้มันต้องการสละอวัยวะก็สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเน้นซับก็มีไว้เพื่อให้เรามีไว้รักษาพยาบาลร่างกายของเราถ้าเป็นทรัพย์ของเราเองแล้วเราคิดว่ามันรักษาแล้วมันทําให้เราหายได้ก็ควรจะรักษาแต่ถ้ารักษาแล้วไม่หายก็เราก็เลือกได้จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แล้วแต่เราแต่ถ้าเป็นทรัพย์ของคนอื่นก็อยู่ที่ว่าเขายินดีหรือเปล่าถ้าคนยินดีเราก็ไม่ต้องไปเหนือยน้อนก็ถือว่า เขาได้มีโอกาสทําบุญก็ได้หนูไม่นด้นะอย่าไปถือว่าเราไปไปทําให้เขาเป็นภาระคือเราอย่าไปเรียกร้องเขาก็ลักกันอย่าไปขอเขาก็ลักกันอย่าไปขอพี่ช่วยช่วยช่วยหนูหน่อยนะช่วยรักษาพยาบาลช่วยจ่ายค่าพยาบาลให้หน่อยอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเขาเขาขยินดีเขารักเราก็าชอบเราก็าาาสงสารเราพอเ็เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีกําลังที่จะช่วยเราได้เขาจะช่วยก็าปล่อยก็ช่วยไปเป็นเรื่องของการทําบุญทําทานของเขา เมื่อควรจะไปปิดกันควรจะอานุโมทนาชื่นชฉลียงดีกับการทําบุญของเขาเสียได้ซ้าไปอาจารย์ครับแต่พระอริยสงฆ์นี้ชอบไม่รักษาใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันเป็นโรคแบบไหนครับแล้โรคมันมีสีสันชนิดโรคที่เป็นหน้าหายเองก็ไม่ต้องรักษาโรคที่เป็นนนั้ต้องรักษาถึงหายถ้าก็รักษาครับเรคที่ตาหงต์ตามีตาเต้าทั้นี้ยังต้อไป ต้องไปทําตามของรักษาได้ก็รักษาแต่ั้นรักษาแล้วรักษาไม่ได้ก็ไม่รักษาดีกว่าให้รักษาไปก็เหนื่อยไปกว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรพระพุเจ้าบอกว่าคนเรามีโรคอยู่สามแค่สามชนิดเท่านั้นโรคที่เป็นแลก็หายเองเป็นไข้หวัดเป็นอะไรนิ่เดี๋ยวมันก็หายเองปวดท้องปวดศีรษะเดี๋ยวบางทีมันก็หายก็ไม่ต้องไปทําอะไรด้านต้องมีโรคที่เป็นแล้วต้องรักษา ก็ต้องไปรักษาแตงยาหายก็ต้องไปแล้วก็ลองที่เป็นแล้วรักษาไม่หายก็ไม่ต้รักษาก็เท่ากันรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเราไปรักษาให้มันเสียเวลาทําไมครับ<อ>ใช่ไหมครับคาถาชินชนบัญชรไม่ใช่คําที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ต่อไปจะเลิกท่องเลยดีไหมครับเราไม่ทราบเหมือนกันว่าที่มาที่ไปของคาถาเหล่านี้มาจากที่ไหน ถ้าเป็นพวกพระสูตรเนี่ยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนเช่นมงคลสูตรสติปัฏฐานสูตรธรรมจักกัปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นคําเป็นคําสอนมันมันการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ส่วนบทที่นี่เป็นคําสอนแล้วถ้าจะให้ดีถ้าสวดเป็นภาษาไทยได้ยิ่งดีเพราะเราจะได้เข้าใจความหมายเป็นการเหมือนกับเป็นการอ่านหนังสือหรือฟังเทนไม่ในในตัวในขณะที่เราสวดพระสูตรต่างๆ ถ้าเราสวยเป็นภาษาที่เราเข้าใจคุณนานาครับพยายามฝึกสติให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเวลาใช้ชีวิตประจําวันแต่งงบ้างครับเช่นสมมติว่าเราล้างจานการโฟกัสต้องอยู่ที่การล้างจานหรือที่ลมหายใจครับเราขับรถเราต้องโฟกัสที่ขับรถไม่ใช่ตามที่ลมเข้าออกแบบนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าว่างจากงานในดๆ ก, ก็กลับมาที่ลมหายใจทันทีสลับไปมาตลอดเท่าที่จะจ่อลม หายใจได้แบบนี้ถูกไหมครับอาจารย์เชการดูลมหายใจได้ก็ต้องอยู่ในช่วงที่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรเช่นยืนเฉยๆ น, นั่งเฉยๆอันนั้นอ่ะใช้การดูลมแต่ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวก็ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งของสติเทินร่างกายกําลัางเดินก็ต้องอยู่กับการเดินของร่างกายแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยว่าจะเดินไปชนอะไรหรือเปล่า ี่คือการมีสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายกำลังล้างจานก็ต้องอยู่กับการล้างจานกำลังรับประทานอาหารก็ต้องอยู่กับการรับประทานอาหารไม่ใช่ไปอยู่ที่ลมรับประทานอาหารด้วยลงนี้ไม่ใช่สมาเวลาที่เรานั่งสมาธินะหรือยืนยืนถ้าเรายืนสมาธิเป็นราชอบยืนสมาธิก็ยืนนั้งดูลมไปก็ได้หรือบางเวลาเราไปขึ้นรถเมล์แล้วมันไม่มีที่นั่งเราก็ยืนแล้วก็ดูลมหายใจไปก็ได้ เวลามันก็จะได้ผ่านไปเร็วพ่อเสียแล้วมีรูปภาพแต่ไม่ได้ตั้งกระถางทูปได้ไหมครับได้ตั้งไว้ทำไมนะต้องมีเหตุผลเดี๋ยวเราตั้งไว้ทำไมคุณสุภาพครับหนูนั่งสมาธิเป็นครึ่งชั่วโมงแต่อาการจะนิ่งเฉยแต่รู้ตัวจิตออกนอกรู้ตัวดึงจิตกลับมา แต่อาการจะเฉยน่าจะเฉยครับแบบนี้พัฒนาไหมครับถ้ามันเฉยจริงจรมันต้องนิ่งมันไม่ต้องไปไหนเลยถ้ายังไปไปมาๆอยู่แสดงว่ายัางไม่ยังไม่นิ่งแบบที่ต้องอยูรวมต่อไปไม่พุโทโธต่อไปลูกชายมองเห็นวิญ ญ, ญาณบ่อยมากมีวิธีจัดการความกลัวได้อย่างไรครับหรือทําอย่างไรไม่ให้เห็นอีกครับคือการเห็นนี่เราไม่ห้ามไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องของ นัตาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้่บางทีมันไม่เห็นมีปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นมาแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ก็ให้เรารู้เฉยเฉยถ้าจิตเรามีความเข้มแข็งไม่กลัวแล้วก็ดูไปเฉยเฉยก็เหมือนกับเราดูภาพประโยชน์ไปแต่ถ้าเราจิตมีความกลัวก็มีอารมณ์เราก็อยากไปดูมันเราก็หยุดมันได้ด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปใช้สติทําใจให้เรานิ่ง แล้วอาการที่ปรากฏขึ้นมามันก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะอาการที่เกิดขึ้นมามันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตเราเนี่กินเราไม่ไม่ไม่นิ่งมันก็ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องที่มาจากที่อื่นทวามจริมันมาจากความคิดปรุงแต่งของเราเองพอเราใช้พุโทโธพุโทโธบริกรรมมันก็จะหยุดการปรุงแต่งพอหยุดการปรุงแต่งแล้วอาการที่เกิดขึ้นมันก็จะหายไป คุแต้มสีครับเคยชินกับการทำสมาธิแบบกำหนดลมหายใจตามเข้าไปในร่างกายเพราะฝึกแบบนี้ตอนเด็กจนเคยเข้าชานได้พอฝึกหายใจสั้นแล้วไม่ชินสามารถฝึกแบบที่เราชินไปก่อนได้ไหมครับได้วิธีไหนที่ทาให้เราเข้าชาญได้ก็ใช้วิธีนั้นคนที่ปฏิบัติจนถึงขั้นปรินิพานได้บุญและบาปที่เคยสร้างจะหายไปด้วยไหมครับ คือยังอยู่แต่ไม่แต่ไม่สามารถส่งผลได้เพราะว่าไม่ไ ม, ไม่มาเกิดอยูแล้วต้องมาเกิดถึงจะรับผลบุญผลบาปได้ผู้หญิงควรจะบวชแบบไหนดีครับอยากขึ้นทางด่วนบ้างครับก็แล้วแต่ว่าที่เราจะไปบวชนั้นก็ให้บวชแบบไหนก็บวชไปคือ แล้วจะเจอิญบวชมันต้องมีมีครูบาอาจารย์ไม่ใช่บวชแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมของเราถ้างนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ชํานาญมาสอนเนี่ยโอกาสที่จะหลงทางมันเยอะโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ยากมากยังก็ต้องมาศึกษาตามสำแนักต่างๆในลุนไทยั่วใหญ่ก็บวชชีกันหราาือบาบางวาัดบางวาัดก็ให้ศรัทธาญาณโยมอยู่ถือศีลแปดไปก็ได้นู เขาเรียนุ่งขาวอมนุ่งดำ่มขาวไม่ต้องนุ่งขาวไม่ต้องต่างชุดขาวทางภาคอีสานวัดป่านี่ยสัตว์ผู้หญิงที่ไปอยู่วัด น, นี้ยเขามักจะนุ่งนุ่งดำนุ่งดำ่มขาวแล้วก็เขาเงาะไม้เล่นกดอศีรษะแล้วก็อยู่แบบอุบาสิกาไปก็ได้มันอยู่ที่สำแนักที่เราไปอยู่ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะกําหนดให้อยู่แบบไหนแล้วก็อยู่แบบตามที่ท่านกนําหนดไปแต่อย่างน้อยก็ต้องถือศีลตัดขึ้นไป เคย้ยินท <che> ่านอุปศิกาท่านก่อครับอาจารย์ท่านท่านอยู่ที่แก้วก่เขาเชิดนวลท่านก็อยู่แถวลาดบุรีเขาเนี่ยท่านก็เนฉันกของท่านอยู่ก็เป็นอุาสิกาที่มีชื่อเสียงในทางในทางปฏิบัติมีความเชื่อว่าท่านบรรลุเป็นพระหนานที่วันหยาเนี้เขาจะมีหุ่นที่พึ่งของของแม่ชีสองลูกเขาผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเป็นแมชี ก็คือแม่ชีแก้วที่เป็นลูกศิษย์ของปูม่ม่นกับนล ง, ลงตาแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นอุบาสิกากอเนี่ยก็เกาส่วนหลวงที่วัดยา น, นี้จะมีเขาเรียกอะไรมีพิพิธภัณฑ์ของพระอริยบคุคคลแล้มีหุ่นขี้เพื่องของหลวงปู่ม่นขอหลวงปู่ชาของ ค, คูบาจารย์ต่างหลวงปู่ขาวอะไรเป็นต้นเราประดิ ษ, ษฐานไว้ในในวัดแล้วก็มีเขามีมีม มีของสุภาพสตรีอยู่สองสองคนคือของคุณแม่ชีแ้แก้วแล้วก็ของของกอเขาส่วนหลวงตอนเด็กผมเคยได้ฟังธรรมจากท่านนะครับอแต่ฟังในเทปครับของกอเขาส่วนหลองนะครับอแต่าทาํได้ฟังรู้สึกเสียงข้างหน้าห้ามันผู้ชายใช่มเห ม, มผู้ชายตอนแรกนี่นก็ผู้ชายครับอาจารย์ก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยคนที่จะแก่งๆทั้งๆนี่ต้องเหมือนผู้ชาย ไม่ใช่แบบเป็นเสียงแบบเรียบร้อยนียมย่มนวลเลยต้องห้าหๆเลยครับตอนแรกฝั่งก็นึกว่าเป็นผู้ชายครับจนไปค้นประวัอ๋อท่านเป็นผู้หญิงครับมเมื่อคืนประมาณสามสี่ทุ่มได้ยินเสียงใครทุบที่นอนดังตุบๆเลยเดินไปดูครับก็ไม่เห็นใครครับอาจารย์ก็ให้ดูเชยๆไปจากแต่ว่ารู้พิจารณาว่าเป็นตายรักไปเกิดตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เป็นสลาวธรรมที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เขาจะมาเขาไปเข้ามาเขาจะไปอยังไม่ปูแต่งว่าเป็นผีเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าเราไม่เห็นผีเราจะไปว่าเป็นผีมันก็เหมือนกับโกหกบอกลวงตัวเราเองยังไม่เห็นเลยก็ว่าเปนผีนะผีเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเป็นเสียงมันไม่ใช่เป็นผีเวลาได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงเวลาเห็นเห็นรูปก็รู้ว่าเป็นรูกแย่ไปว่าเป็นผีเป็นเป็นอะไร ทีมันไม่มีหรอกถ้ามีป่นที่จามาเข้าเข้าคุกไปได้เย่ๆไปหมดเลยคุณโสภาครับพ่อและน้องชายร่วมมือกันปลอมแปลงเอกสารของผมเพื่อนำไปกู้เงินให้น้องชายใช้ฟุงเฟ้อผมควรใช้ชีดอยู่ร่วมกันอย่างไรกับพ่อครับพ่อและน้องไม่สำนึกผิดในสิ่งนี้กระทำด้วยครับกลาขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับก็ คุยกับพ่อเลยว่าผมไม่สามารถที่จะรับภาระแบบนี้ได้นะแล้วคุณพ่อจะว่ายางไงก็ว่ากันไปคุยกันไปถ้าเกิดว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ถึงเวลาต้องแยกก็แยกกันไปไม่ได้ไม่ได้หมายาว่าเราตัดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกไนเะพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้เพราะว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวของเราเอง เราได้กลาเป็นอะไรไปเราก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องไปไปรับผิดชอบใช้นี่สินที่เราไม่ได้ก่อขึ้นมาเองอันนี้ก็ต้องคุยกันว่าเราไม่พอใจไม่ทำไม่อยากให้ทําอย่างนี้จ่ว่าอย่างไรยอมทราบว่าอ๋อโยมอยากทราบว่าทําไมที่วัดหลวงปูรีวัดป่าภูผาแดงไม่มีกระถินแต่มีแต่ผ้าป่าครับอยากรู้จักประวัติครับ ก็วันบางวัดท่านไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องกฐินเนี่ยเพราะว่าเ้ราเป็นกระฐินแล้วคนจะเข้ามาเป็นขบวนเลยกฐินงานใหญ่มันจะแจกผ้าแจกแจกซองกันจะบอกคุนบอกฝูบอกพี่น้องกันอยอะคนมาเยอะทางวัดก็ต้องรับภาลละต้อนรับก็ทต้องเปิดวัดปีลงทานอะไรก็มาโอ้ยวุ่นวายไปหมด อ, อย่างวันนี้ที่วัดยางก็มีลงทานมีอะไรเต็ไมไปหมดความสงบหายไป วัดป่าเขาบาอย่างจะรักษาความสงบไม่ต้องการรุนแรกับการมันรับผ้าเพราะวัดป่าเขาก็ไม่ได้หาเงินเขาไม่มีเขาไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกับวัดวัดวับ้านวัดบ้านที่มีถาวรและวัตถุต้องต้องบำรุงมีบวชมีเจดีแล้วมีค่าใช้จ่ายนี้ค่าน้ําค่าไฟค่าระจิปาถาก็ต้องอาศัยเงินบุญของญาติอาญาติโยมนี่แต่วัดป่านี่ก็อยู่แบบสมถะเยบงันไฟฟ้าบางทีกาไม่มีเขาก็ไม่มีค่าใช้ ค่าไฟฟ้าต้องใช้ใหญ่อะไรเขาก็เลยพิจารณาด้วยความเหมาะสมว่าไม่มีดีกว่าม่การรับกระถิ่นนี้ไม่ได้เป็นกฎระเบียบที่บังคับว่าทุกว่าจะต้องรับกระถิ่นรับก็ได้ไม่รับก็ได้คุณเสรีครับตอนนี้สุนัขป่วยหนักทําให้จิตคิดว่าน่าจะพอไปพบแพทย์รักษาให้เร็วกว่านี้จะได้ไม่เจ็บหนักจิตคิดซ้ํำๆ พอมีสติก็พุดโทพุดโทแต่สังเกตว่าจิตกลับไปคิดตลอดว่าน่าจะพาไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลให้เร็วกว่า น, นี้เป็นแบบนี้มาสองสัปดาห์แล้วสมาธิสติยังแข็งแรงไม่เพียงพอใช่หรือไม่ครับโปรดเมตตาชี้แนะครับรู้สึกปัญญามากกว่าเนี่ยปัญญาเนี่ต้องรู้ว่าควรไปรักษาหรือไม่ไปรักษาถ้าควรรักษาก็รีบพาไปรักษาสิถ้าิดว่ารักษาแล้วไม่หาก็จะไม่ต้องไปรักษาก็ได้ ถ้าเราไม่รู้ก็พาไปหาหมอให้เขาดูแล้วก็ไรต่างๆหมอจะทำไงดีกับมาตัวนี้พอเราไม่ได้เป็นหมอเราไม่สามารถ่วินิจฉัยได้ว่าควรจะรักษาหรือไม่รักษ า, กกษากอย่างไรก็พาไปหาหมอหมอบอกว่ารักษาหายได้เราก็รักษาไปถ้าหมอว่ารักษาแล้วไม่หา ย, ก, ย ก, า ก, ก็ไม่ต้องรักษาก็ได้แเราก็ไม่ต้องรักษาไปอาศัยหมอเป็นผู้ตัดสินให้เราเลยครับเพราะเราไม่มีปัญญาในทางนี้ เหมือนกับเขาคิดว่าเขาโทษตัวเองว่าไปพาไปช้าหรือเปล่าวนไปวนมาอะไรประมาณอย่างี้ครับอือใช่ก็เพราะว่าไม่ไม่รู้จะทํำยังไงดีแต่ัดสินใจไม่ได้ก็ต้องเปรียบเทียบกับตัวเราเองถ้าเราเกิดไม่สบายเราเราจะทํำยังไงดีเราจะไปหาหมอแล้วไม่หาหมอดีตั้งแต่เจอทุกข์กลัวบาปมากเพราะบาปมันทําได้เร็วมากขอคําแนะนําพระอาจารย์ด้วยครับ ก็รักษาศีลห้าไวให้ดีแล้วบาปก็จะไม่เกิดขึ้นคุณวันเพ็ญครับถามว่านักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพียพรพยายามฝึกสติสมาธิแต่ปัญญาไม่มากถ้าตอนตายยังไม่บรรลุธรรมก็เป็นปัจจัยให้ได้ไปปฏิบัติต่อในชาติต่อไปใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างที่เราปฏิบัติเนี่มันจะติดไปกับใจเป็นนิสัยไป มีความอยากจะสงบต้องทำอย่างไรดีครับก็ฝึกสติให้ามากๆเราพยายามอย่าไปคุกเกะกับใครอยู่คนเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเวลาเราคุกเีะกับคนก็เราใช้ความคิดแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะที่จะต้องใช้ความคิดแล้วถ้าเราฝึกสติเราก็ปลูกความคิดไม้คิดใจเราก็จะเริ่มมีความสงบเพิ่มขึ้นไปตามลาดับของกาลังของสติที่เราจเจริญได้ มีส อ, อย่าง<ม>ต้องจัดนสติ<ม>แล้วก็ต้องเปรกวิเวกไม่คุกคีกันคำถามคล้ายกันครับต่อเนื่องไปเลยครับบอกว่าจิตฟุ้งซ่านขอเมตตาวิธีให้จิตสงบน่าจะคล้ายกันไหยครับฝึกสติกัฝึกสติทั้งวันเลยเมื่อตายขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคุณธัญญาครับควรวางใจอย่างไรดีครับถ้าหากมีคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีทั้งที่เราเองก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูด และมักดูถูกเราว่าจนไม่มั่งมีเหมือนเขาครับก็เราไปบังคับขเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ปากของเขาสิ่งที่เราห้ามน้ก็คือใจของเราห้ามใจเราอย่าไปทุกข์กับเขาขเขาท่านี้นก็จบที่เราไปทุกข์ว่าเราอย่างอยาให้เขาพูดพูดดีกับเรายกย่องเราสรับสริญเราให้เกียรติเราพอเขาไม่ทำเราก็เลยทุกข์ใจ เราต้องมาแก้ที่ตัวเรามันจะไปแก้ที่ตัวเขาเราไม่ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกกับการพูดของเขาได้เขาจะพูดดีไม่ดีเราก็เฉยได้ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆอันนี้ถามบอกว่าทำไมพระไม่ใส่กางเกงไหนครับก็สมัยก่อนมันไม่มีมเวลาโบราณไม่มีเวล า, วาเป็นบ่วยอุ ป, ปัระชาก็ไม่มีกางเ ก, ก, เกงในหมอบให้ คุณสวรรค์รัตน์ครับการนั่งสมาธิต้องพยายามทําอย่างไรก่อนถึงจะได้นั่งได้เพราะพยายามเท้าไหร่ก็นั่งไม่ได้สักทีครับการนั่งสมาธิคือการบังคับตัวเองให้นั่งให้ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกการนั่งสมาธิเป็นการบังคับความคิดไม่ให้คิดบุ่มแต่ให้จิตนิ่งสงบนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้เราต้องคุมคุมความคิดให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนนั่ก็ต้องฝึกสติ สติเป็นตัวที่จะคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดใช้กรรมบริกาพุทโธนี่เป็นการเป็นการฝึกสติถ้าเราอยู่กับบาิกาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆความคิดที่เราเคยคิดมันก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วพอเวลาเรามานั่งสมาธิแล้วก็ทําใช้สติควบคุมความคิดต่อไปแล้วจิตเราก็จะสง บ, บได้ในที่สุดเนื่องฝึกสติให้มากๆ ก, ก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้ได้ผลดี เวลาถวายผ้ากระถินแล้วจับจับกันไปจะได้บุญไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่จับไม่จับมันอยู่ที่เราไม่ส่วนส่วนบอยจัดท่าใช้ใจ่ายหรือไม่ไมไมคุณมาลีครับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านบรรลุอรหันต์หรือเปล่าครับไม่เราพระกินจะว่าบรรลุบรรพารหันก็ได้แต่เป็นอรหันต์ที่บรรลุ ด, ด้วยตนเองไม่ได้ ไม่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าองค์อื่นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรานีท่านเขาเป็นพระอรหันต์ตัศมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเป็นพระพระอรหันด้วยด้วยความด้วยบุญบารมีของท่านเองถ้าไม่มีครูอาจารย์มาสอนท่านแต่พระอรหันต์รูปอื่นที่ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเขาจะไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาจะเรียกว่าเป็นพระพระอรหันต์ตัศวกพระอรหันต์นี้มีสองแบบน อาหารตรสามาสามพุทธเจ้าเป็นพระอาหารด้วยการศึกษาด้วยการค้นคว้าของตนเองไม่ได้มีใครสั่งใครสอนส่วนพระอาหารตะสาวกนี่หมายถึงเป็นผู้ศึกษาลเรียนจากพระพุทธเจ้าถึงจะบรรลุเป็นปพระอาหารได้คําว่าสาวกก็คือผู้ศึกษาผู้ผู้ผฟังคำว่าสาวกนี่แปลว่าผู้ฟังฟังธรรมจากพพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นปพระอาหารขึ้นมาเราจะเรียกว่าตนเองเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า แต่จะไม่เรียตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจา้าไม่เรีตันเองว่าเป็นพระอาหารหันต์ตัสมาสารพุทธเจา้าอันนี้สําหรับผู้ที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าด้วยด้วยด้วยตัวเองด้วยกําลังของบุญบรารมีที่ตัวเองได้สร้างไว้แต่ตอนที่พระพุทธสัตวยังไม่บรรลกุก็ยังยังไม่ใช่อหรหันต์แต่ พ, พุทธเจา้าก็ยังเป็นบุตชนอยู่อย่างว่าพุทธเจา้าเนี่ยยังยังเป็นบุตชนอยู่จนถึงวันแพน่นเดือนหก เพรนั้นท่านได้แค่สมาธิได้ฌานได้สมาธิแต่ท่านยังไม่เข้าถึงอรยิย ส, สัจสียังไม่เข้าถึงใจรับก็ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นพระสกิิยาคาพระอนาคารไม่เป็น้ระตามลาานนำดับการฝึกปฏิบัติธรรมที่บ้านถือเป็นการบวชได้ไหมครับการบวชไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ว่าเรารักษาศีลได้หรือไม่ลักษาศีลอย่างนั่งบวชได้หรือไม่ แล้วเราปฏิบัติกิจของนักัวได้หรือไม่ก็คือการเจริญจิตตะภาวนาแมงสมาธิเงื่อนจกรมพิจารณาปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดคุณแต้มสีครับตอนเราตายแล้วเราจะรู้สึกหิวอะไรไหมครับเพื่อนสัมผัสวิญญาณได้บอกว่าวิญญาณส่วนใหญ่จะหิวบุญบุญจะทำให้วิญญาณมีพลังครับคือความหนี่เกิดจากความความโลภ การขาดบุญเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ทำบุญกันใจเราก็เลหิวไม่มีอาหารหล่อเลี้บุญนี่เป็นอาหารหรอเลงดวงวิญญาณเวลาที่เราตายไปเรากินข้าวไม่ได้เวลาหิวตอนที่เรามีน่างกายเรากเราก็ไปกินข้าวันแล้วก็เวลาตายเราไม่มีร่างกายที่จะเอาข้าวเข้ามากินดังดวงวิญญาณของเรายังหิวอยู่หิวเพราะว่าเราไม่เคยทำบุญให้กับดวงวิญญาณ แต่ถ้าเราทำบุญอย่างสม่ำเสมอเวลาเราตายไปเราจะไม่หิวแต่เราจะไม่หิวโดยวิญญาณจะไม่หิ ว, ว, หวทำสมาธิไม่ได้บริการพุโทโธทำความสงบจิตว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อครับไม่ทราบว่าอย่าว่างเปล่าเป็นยังไงจิตรวมเป็นหนึ่งสักดิ์แต่ว่าลู้หรือเปล่ากความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งเปวือกหรือเปล่า ถ้ยังไม่มีเสียงตหน่นี้ยังถือว่าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่เข้าถึงสมาธิก็ต้องดูลมต่อไปถ้ายัางนั่งเฉยๆแบบไม่มีลมไม่ดูอะไรไม่มีสติรับประกรันได้ว่านั่งบนจวันตายก็ไม่มีวันที่จะเข้าถึงสมาธิได้คุมตายครับเราตักบาตรของที่เราชอบพอตายไปจะได้กินในสิ่งที่เราตักบาตรไหมครับหรือเป็นเพียงแค่บุญที่ทาให้เราอิ่มทิพย์ครับ มันก็จะฝังในใจเราไงมันกมีความจําว่าเราเคยใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะเวลาเราตายไปเราก็จะฝันว่าอ๋อเราได้กินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไปทอดกรถินขณะที่พระเริ่มการกระถิ่นแล้วนะครับแล้วบอกว่าให้เราตั้งจิตอธิษฐานจริงไหมเจ้าค้าที่เราและควรจะทําตัวเช่นไรครับคือถ้าภาพการกระถินนี้แสดงว่าเขาได้ถวายของถวายการะ ถวายกรถิ่นแล้วเราจะไปถวายที่หลังมันไม่ใช่กรถิ่นแล้วมันก็เป็นการทําบุญทั่วไปเท่านั้นเองอย่างคุณห้องจากกรถิ่นไปถวายเสร็จแล้วคนหนึ่งเขาว่าขอร่วมกระถิ่นร่วมไม่ได้แล้วมันล ด, ลดมันออกไปแล้วรดกรถิ่นมันออกไปแล้วคุณมาที่หลังคุณก็ทําบุญอย่างอื่นไปคุณก็ถวายจาาา่ายค่าน้ําค่าไฟไปมันก็เหมือนกันล่ะก็ได้บุญเท่ากัน่ะคุณอมพรครับ ถ้าชาตินี้โยมศีลห้าครบตายไปโยมไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ใช่ไหมครับแน่นอนถ้าไม่ทําบาปกม็มันก็ไม่มีบาต ท, ที่เด็กหมอให้ไปเกิดเป็นสัตว์นี่เป็นดวงวิญญาณในอบ า, ายวันวันนี้คุณหมาไปไ ป, ไปท่ากระถินบรรดาภาล่ะนะบไปร่วมกับถินไปร่วมครับอาจารย์ครับอ่าร่วมครับอยู่ใกล้บ้านเนะอยู่ว้ามันอยู่ใกล้บ้านนะขับไปชั่วโมงเดียวครับอาจารย์ครับอยู่นจังหวัดพิศนุโลกนะใช่ครับอาจารย์ครับเป็นวัดป่า เป็นพระต่าครับอาจารย์<ม>สายหลวงปู่อําหลวงปู่หลวงพ่อจันทาครับอืออยู่ท่านจะอยู่แถวนี้กันเยอะครับอาจารย์ครับแต่ไม่รับเป็นเจ้าภาพใครครับอาจารย์ไปร่วมอย่างเดียวครับอือ ม, <laughs> มีคนมาขอจะเป็นเจ้าภาพก็ไม่เอาค ร, รับเหมือนกันอ่ะมันไม่ได้ยุ่งเ่เป็นเจ้าภาพแรือเปล่ามันอยู่ที่บริจาคน้อยบริจาคมาก พระฉันข่าสามเวลาผิดกฎพระไหมครับเอพระฉันได้แค่แค่เที่ยงวันนะหลังจากเที่ยงวันแล้วฉันไม่ได้แต่ก่อนถึงเที่ยงวันนี้จะฉันทักกี่มือก็ได้กินคขมือเราเชั่วโบงก็ได้เชั่วโมงเรามือก็ได้ไม่มีข้อห้ามแต่มันผิดผิ ด, ผ, ดผิดจุดประสงค์อของการการไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันก็เพื่อให้ลดการบริโภคอาหารให้น้อยลงเพราะการบริโภคอาหารมากๆมันจะทําให้ นั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วหลับแล้วก็กลาเกยเา็นขมขืข้านไม่อยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะนอนใี่มากกว่าเราต้องมากำหนดให้ภาพชันน้อยชันพอประมาณชันพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอคุณสุภาพรครับเวลานั่งสมาธิมักจะนึกถึงเรื่องอื่นจิตส่งออกนอกจะต้องทำอย่างไรดีครับเพราะเราไม่มีสติคอยคุมจิตไว้ไง ต้องฝึกสติคุมจิตไว้ก่อนที่เราจะมานั่งใช้พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเงินต่างเง้นตังก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะไม่ส่งออกนอกที่หงุดหงิบแก่อย่างไรดีครับตั้งๆที่นั่งสมาธิทุกวันเป็นประจําเจองานกดดันแล้วเผลอครับบ้องมีเงื่อนเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น พอไม่ได้ดังใจอยากมันก็หมุดเย็ดเราต้องลดลดความอยากเราลงให้หัดฝึกวิสายสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดได้แบบไหนก็ได้อย่าไปกาหนดว่าต้องได้แบบนั้นต้องได้แบบนี้พอไม่ได้มันก็จะทำให้เราหมหุนเยิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่กำหนดนะยังไงก็ได้มาแบบนี้ก็ได้มาแบบนั้นก็ได้มันก็ไม่หมดหุดคุณสมคิดครับ บุญล้นคืออะไรครับแล้วควรทําอย่างไรครับไม่รู้เนี้ยครับรบุญไม่ได้ล้นหรอกบุญนีดัท่องมากกว่ บ, บุญล้นเนี่ยงั้นทาบุญให้มากๆไม่ต้องกลัว บ, บุญล้นหรอกแล้วก็พูดอา จ, จมาถึงว่าโอ้ยซกอกกษิตมันเยอะแล้วเกิดมีนี่ <laughs> ถ้าเราเสียชีวิตแล้วจัดงานเผาเลยไม่มีสวดพระอภิธรรมทําแบบนี้ได้ไหมครับได้กันาร การเวลาศพตายแล้วก็มีหน้าที่กําจัดเหมัอนนั้นจะก็จัดตามวิธีไหนก็ได้จะห่มเอาผ้าสเขาหมเอาไปทิ้งไว้ในป่าก็ได้ครับคุณนานาครับเวลาผ่านไปนานจนตอนนี้ทําให้งงกับงานบุญกรถินแล้วการถวายผ้าไตรต่างกับผ้ากรถินอย่างไรครับคือผ้าตรายก็คือผ้าที่ เป็นผ้าหนึ่งชุดที่พระจําเป็นจะต้องมีก็คือผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวเป็นผ้าสามผืนคำว่าตายก็คือสามผ้าตายก็คือผ้าสามผืนที่จําเป็นพระจะต้องมีเวลาบวชเนี่ยครจะมาบวชผ้าก็ต้องมีผ้าตาี่เมื่อเมื่อบวชแล้วได้ได้ผ้าตายมาแล้วใช้ไปเรื่อยๆต่อไปผ้ามันก็อาจจะขาดได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนเมื่อต้องมีการเปลี่ยนก็เลยมีการถวายผ้าก็ะถิ่นมาให้เปลี่ยน ปีหนึ่งก็ถวายสักครั้งหนึ่งก็จะได้เอาผ้านี้มาเปลี่ยนผ้าที่เก่าหรือที่ขาดไปทดแทนกันไปเป็นโรคสมาธิสั้นควรจะเริ่มฝึกสติอย่างไรครับราพุโทโธไปเลยตั้งตาต่ขึ้นมาเงมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยคุณอำนาจครับผมกรวดน้ำใช้บทอิมินาได้ไหมครับ ไม่ต้องใช้เลยก็ได้ให้เราเลิกภาษาของเราไปเลยก็ได้เขาที่ส่วนบุญนี้ให้กับท่า น, านผู้นั้นผู้นี้ขอให้ท่านได้เปิดมารอบเถิดแค่นี้ก็จบแล้วการพูดตามมารยาเช่นชมคนว่าหลอ่อว่าสวยแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นบาปไหมครับถ้ารู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ไม่บาปถ้ารู้เป็นการมารยาเก็ไม่บาปไม่ได้หลอกลวงไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงกันเป็นพูดตามธรรมเนียม คุณอัญชลีครับน้องชายไปถือศีลอยู่บนเขาในช่วงหนึ่งที่วิดีโอกลับมาหาที่บ้านดิฉันเห็นแขนคนนั่งอยู่ข้างหลังน้องจึงถามว่าใครเหรอน้องบอกว่าอยู่บนเขาคนเดียวไม่มีใครวันนั้นเป็นวันโกนด้วยครับอยากทราบว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องทําอย่างไรครับส่วนตัวชื่อว่าน่าจะเป็นชาวทิพย์ครับก็ถ้าเราไม่รู้จริงดูไปเฉยๆว่าเป็นแขนก็พอไม่ได้เป็นทิพย์แทอบอะไ ร, รมันก็เป็นแขนภาพมันอาจจะเราดูก็้มันอาจจะร้อนเราก็ได้ การที่เราไม่สบายปวดเข่าทําให้การใช้ชีวิตช้าลงทําให้เราได้ละลึกพุทโธเมโนาโธ ท, ทมโมเมโนาโธสังคโมเมนาโธได้บุญไหมครับถ้าเราไม่มาทําใจให<อ>้ว่างให้เย็นให้สงบก็ได้บุญคุณวิรัติถามว่าตอนแรกพระอาจารย์บวชที่ไหนหรือครับแล้วไปวัดป่าบรรดาศได้อย่างไรครับเราก็ไปบวชที่วัดบอลในเวททีนกรุงเทพที่อยู่บางพลูเพราะได้ข่าวว่า พราะสมเด็จที่ท่านบัรเจ้าว่าท่านเมตตากับคนที่อยากจะบวชเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่ภาคอีสานไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งทายนงปู่มันล้วก็เลยใช้ช่องทางนี้ไปขออนุญาตท่านขอบวชมาบวชนั้นไม่ได้อยู่ที่วัดบางอ่อเป็นแต่ ว, ว่าจ ะ, จะขึ้นไปไปอยู่ตามวัดป่าในภาคอีสานั่นก็เลยบวชให้มาบวชนั้นก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงตาวัดป่ามันต่างเป็นว่าที่มีความเคร่งขรัดต่อาการปฏิบัติก็เลยขออนุญาตท่านขึ้นไปอยู่ที่นั้น เราก็ไม่ด้รับไว้เพราะฉะนั้นได้อยู่ที่นั่นมาตลอดเก้าพรรษาด้วยกันเก้าพรรษาแรกเราจำพรรษาอยู่ที่นั่นสมวัดเนี่ยวันแรกก็คือวัดตาบรรดาเก้าพรรษาด้วยกันพรรษาที่สิบก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดที่ในพัทยาอยู่ใกล้บ้านดังนั้นช่นั้นทำดูแลพ่อไม่สบายพอพ่อพ่อเสียเสร็จแล้วพ่อพรรษาก็เลยย้ายมาอยู่ที่วัดยาจากพรรษาสิบจากตั้งเล่นต้นๆพรรษาสิบเอ็ดจนถึง อันนี้ภาษาห้าสิ่งวะนะคมาไม่ใช่สี่ิบเก้าครับผมผมเขียนผิดก็สี่สิบสิบภาษาด้วยกันอยู่ที่วัดยานเก้าภาษาอยู่ที่วัดป่ามันตาแล้วภาษานึงอยู่วัดโพธิ์ที่สำพันธ์ที่อยู่ในเมืองพัทยาครับแล้วพระอาจารย์ตอนอยู่วัดบวรนี้อยู่กี่เดือนนะครับประมาณบวชต้นเดือนกุมภาสิบเก้าพอต้นเดือนเมษาก็ไปแล้วเดือนกว่าเดือนขึ้นเดือนขึ้น มีลูกพิการทางสมองเวลาทำบุญแม่ได้พาลูกไปด้วยช่วยได้เรื่องเวรกรรมของลูกได้ไหมครับมันเวนกรรมแช่วยไม่ได้หรอกว่ามันเป็นมันมันเหตมเุมันเกิดขึ้นในอดีตวนบุญที่เราทำนี้มันจะมีผลก้ต่อในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ เวลามีความเจ็บปวดต่างๆของร่างกายหรือมีความทุกข์ใจควรวางจิตแบบรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรได้บ้างครับก็ทําใจให้เฉยๆว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปบังคับมันได้เหมือนกับเวลาที่เราฝนตกแล้วเราออกไปทักนอกทําอะไรไม่ได้เราก็นั่งเฉยๆรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วเราค่อยออกไปเท่านั้นเองเวลาร่างกายเจ็บก็เราก็ทําใจให้เฉยๆแล้วก็อยู่กับความเจ็บไป เป็วความเก็บจะหายไปเองอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเกิดความอยากแล้วมันไม่หายมันจะเกิดความทุกข์ทรมารใจเพิ่มขึ้นอีทกทํากรรมอะไรไว้ครับถึงได้เกิดเป็นมะเร็งครับการเกิดเนี่ยการมาเกิดเนี่ยทาให้เกิดในโลกภายนอกเองไม่ใช่แต่เฉพาะ่องมาในอย่างเดียวโลกต่างๆทัาหายที่มีอยู่ในร่างการนี้มันก็มาจากการเกิดทั้งหมด ที่รู้จักจะไปทุลละหลายวันจึงจะฝากแมวเจ็ดตัวให้คุณแม่รับมาดูแลแต่ทางบ้านและคุณแม่ไม่สะดวกคุณแม่จึงบอกให้ท่านเอาไปฝากอีกคนหนึ่งซึ่งรู้สึกไม่สบายใจเหมือนใช้ท่านขัดเจตนาหรือไม่ควรทําใจอย่างไรดีครับท่านมาใช้หลราเมื่อเราไม่ไม่สะดวกที่จะรับแล้วก็คืนท่านไปเลยไม่สะดวก้องไปที่อื่นฝากเงินญาติพี่น้อง ซื้อของใส่บาททำบุญแทนผู้ที่ฝากได้รับบุญหรือไม่ครับผู้ที่รับฝากจะได้บุญในการรับใช้เรานียบุญในคนละชนิดกันเราจะได้บุญที่เกิดจากการบริจาคทานบริจาคเงินไปซื้อท้าวของเป็นบุญกนลอย่างนั้นเป็นคนอย่างหนึ่งเป็นทา น, นอย่างหนึ่งเป็นการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นอาหารปัจจุบันตั้งสัจจะไว้ว่าจะเลิกทำจะมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทำให้ผลกรรมที่เคยทำมาเบาบางลงครับทำไม่ได้หรอกมันมีผลกรรมที่ทำให้มันก็จะต้องแสดงผลตามกำลังของบาปที่เราทำไปก็เตรียมตัวเตรียมใจทำใจรับกับผลบาปไปกันแล้วกันทำได้เท่านั้นทำใจให้เป็นอูเบขาแล้วใจจะไม่ทุกข์กับวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป เวลาที่ไปวัดไปทําความสะอาดเช็ดถูพระพุทธรูปอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ก็เป็นการรับใช้วัดไปอย่างช่วยทําความสะอาดวัดวานอะบางคนก็มาช่วยล้างชาบางคนก็มาช่วยทําความสะอาดห้องน้ําอย่างนี้ก็เป็นบุญที่เราใช้สังคมให้ได้เป็นจิตอาสาเจ็บป่วยมีโรควิตกกังวลอยู่ระหว่างการรักษาในช่วงนี้จะฝึกสมาธิอย่างไรให้หายจากโรคได้ครับ อสมารถไม่สามารถรักษาโรคได้สรรมารถรักษาความทุกข์ใจความกังวลใจได้อยู่นี่เรื่องฝึกสมาธิหยุดคิดได้หมดยาับจักความเจ็บป่วยด้วยควา ม, มวิตกกังวลก็จะหายไปรูปคนตายต้องเก็บไว้ไม่ให้โชว์ใช่ไหมครับไม่มีกนระเบียบไม่มีข้ออ้ามรูปของพระพุทธเจ้าก็มีเยอะไปเรื่องของบุคคลสําคัญสาคัญต่างๆที่เขาตายไปเขาก็มี อดิษฐานทั่วไปหมดก็มีอยไม่มีข้อห้ามไดแล้วแต่ว่าบุคคล น, นั้นสม ค, ควรทีจ่จะเอามาเชิดชูหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่ไม่ดีเขาไมา่แจะไม่เอามาเชิดชูไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเรานั่งสมาธิทั้า ง, ง่วงก็นอนตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิต่อปฏิบัติที่บ้านอยู่คนเดียวตั้งแต่สองทุ่จนเช้าถือเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไหมครับ ก็เป็นงานปฏิบัติอย่างหนึ่งจะถูกต้องไม่ถูกต้องอยู่ที่ผลนะถ้าปฏิบัติแล้วไม่ไม่ไม่ได้ผลมันก็ยังไม่ถูกต้องต้องดูที่ผลว่าจิตเราสงบหรือไ ม, ไม่มีความสุขหรือไ ม, ไม่จากการปฏิบัติโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆมาฟังอยู่ในเฟส791ครับในยู780ในคลับเฮา s e 9ในติกตอก465รวมกัน2 4 5ท่านนะครับ เริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนกาี่สิบสองนทีวันนี้อาจารย์ตอบไปหกสิบแปดคำถามครับมันต่นนคบคำถามยาวห น, น่อยนะถับคำถามมาได้ลงก็ดีได้ได้ได้คำตอบเยอะขึ้ในในสาระมากขึ้นก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสนทนาธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นำไปใช้กับการปฏิบัติให้จรรยก้าวหน้าต่อไป การสนทนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรเกิเวลาก็ขอให้ท่านรงนำาอาเสียงนี้ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพราะความสบความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุาก็ขอลาคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดเข้างานใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอจเจริญพร ขอบพระคุณพ่อาจารย์ค่ะ